เพราะว่าเราจะเห็นว่าโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายเพราะสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้ตัวคือสงครามแห่งวัตถุมนุษย์ผลิ ต, ตวัตถุกออกมาแล้วเราก็เป็นธาตุวัตถุใช้กุ้มกวยทุกอย่าง เสื้อผ้ า, อาลองสำรวจดูเสื้อผ้าอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคนอกนั้นก็พูดกันไม่ไหวเยอะแยะเต็มไปหมดผู้ผลิตก็ผลิตกันอกอกมาออกมาออกมาเราก็มีความอยากอยากอยากตามผู้ผลิตทุกอย่าง นี่คือเราเป็นธาตุวัตถุเป็นธาตุวัตถุก็คือเป็นธาตุใครก็เป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุตัณหาก็ทำให้ลำบากเพราะความยากมันมากเกินไปพระพุทธเจ้าจะไะรู้ทางอริยมรรคในองค์แปดเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา มัจจิมาปฏิปทาคือทางสายกลางพอดีพอดีทีนี้พอดีพอดีนี้นั่นเฉพาะพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องพอดีพอดีด้วยกินอยู่พอดีใช้จ่ายพอดีเสื้อผ้าพอดีที่อยู่ที่อาศัยพอดีอยารักษาโรคพอดี อา้าวไปสำรวจดูทิรถมีกี่คันที่บ้านเราเนะี่ยไปสำรวจดูบ้านมีกี่หลังเสื้อผ้ามีกี่ชุดอาหารการกินฟุ่งเฟื่อยไหมอะไรจะอะไรฟุ่งเฟื่อยไหมนี่นั่นคือเราขาดขาดมัชชิมาปฏิปทาเราก็เลยต้องเป็นทาตเป็นทาดใคร เป็นธาตุกิเลสตัณหาของเราเองนั่นแหละตกลงว่าเกิดมาชาติหนึง่งมาเป็นธาตุมาเกิดเป็นธาตุกิเลสตัณหาเราหาถ้าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเลยไม่มีคำว่าพอเลยมีเศรษฐีคนหนึง่งหลวงพ่อไปอินเดียมาเร็วนี้ไปทําอั จ, จันตาแอนโลล่าเศรษฐีคนหนึง่ง ครอบครัวนั้นมีแค่ห้าคนเองนูน อ, อยู่ชั้นที่ยี่สิบกว่ามีคนใช้กี่คนสองร้อยคนนี่มันอะไรนั่นนะมันอะไรนั่นนะทนี้ไอ้เป็นเจ้าของบริษัทก็หลายแห่งเห็นไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าบ้าวัตถุนั่นแหละมันบ้าวัตถกุก็โดยเกิดมาเป็นทาต ทีนี้เราก็เป็นทาตเราก็เป็นทาตตัวเราเองนั่นแหละคือเป็นทาตกิเลสตัณหานั่นแหละเรามาปฏิบัติธรรมถ้าเรากลับไปบ้านแล้วเราสำรวจดูเสื้อผ้าของเรามีกี่ชุดอาหารการกินของเรากุ้มเฟวยไหมที่อยู่ที่อาใจของเรานี่บ้านท่านี้พอไหมท่านั้นพอไหมมันเต็มไปหมดคนที่ร่ำรวยแล้วก็ยังไม่พอ อย่าว่าแต่พวกเราเลยมันไม่พอกรคำว่าพอนี่ไม่มีจานั้นมันทางสายกลางนี่เราไม่เดินเดินแต่สายข้างข้างข้างข้างริมกูริมคลองริมทะเลโ น, น้เดินข้างข้างเดินเดินริมโน่นขึ้นไปบนภูเขาริมเหวอย่างนั้นทางนั้นเลยมันอันตรายทางนั้นเลยจานั้นความพอดีมันอยู่ที่ตรงไหน มัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีสำมาติทิความพอดีในเรื่องของการปฏิบัติมีความเห็นอันถูกต้องมันก็ต้องพอดีพอดีการเห็นอริยสัจนี่ก็มันต้องพอดีถ้าไม่ปรับมันมันพอดีจะเห็นไม่ได้่เราทำสมาธิเกินโอ้ลงไปข้างล่างลึกลึกเสร็จแล้วดำมืดเลยถ้าเป็นอย่างไง นั่งตัวแข็งทือ่อมันก้อนหินผิดแล้วอย่างนั้นผิดแล้วเกินแล้วเลยพอดีไปแล้วมันต้องดึงขึ้นมาให้มันพอดีทีนี้ถ้าไม่มีสมาธิเลยเอาก็ไม่พอดีอีกแล้วเออมันพอดีสมาทิทีก็พอดีสมาจังกับป่ามีความคิดมีความเห็นพอดี สัมมาวาจจะสัมมาคัมมินตาสัมมาจีวาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือความพอดีความพอดีถ้ามันเลยเถิดความพอดีแล้วก็ไม่ใช่ถ้ามันหย่อนเกินไปก็ไม่ใช่ถ้ามันตึงเกินไปก็ไม่ใช่พอดีสายกลางพอดีสายกลางฉะนั้นอยติโยมลองไปคิดดูว่าถ้าเราเป็นอยู่ให้พอดีนี่ สบายเราจะอยู่สบายกินอยู่ให้พอดีเราก็ทำไม่ไม่ใชเราขี้เกียจเราก็ทาทำเราต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยเหลือจากความพอดีของเราเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราก็ช่วยเหลือช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้ในโลกนี้ถ้าทุกคนเป็นอยู่กันด้วยความพอดีเหลือเดี๋ยวนี้เหลือมากเหลือมาก แก่นั้นความพอดีเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางกลางอติกลาอตตาคิลมทานุโยกเลยพอดีนั่นพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์คจะตรรู้เลยพอดีไปก็เพราะว่าพระองค์ต้องทรมานทรมานทรมานในมันรู้ว่ามันเป็นยังไงนั่นคืออตตาคิลมทานุโยกกามาสุขนานิการุโยคหลงไหลในเรื่องใน เรื่องกามระหว่างเพศในเรื่องกามคือวัตถูกมันก็เลยพอดีเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งใสยน้ามันจนท่วมน้ามันเครื่องไสรจนท่วมนี่มันเลยพอดีทางนั้นเลยมันต้องพอดีพอดีนี่มัชชิมาปฏิปทาแม่อิงอ่างตัวหนึ่ง มีลูกสามตัวมีลูกสามตัวแล้วไปหาอาหารข้างนอกทิ้งลูกเอาไว้มีแม่วัวตัวหนึ่งมาถึงก็เหยียบเอาลูกตายไปตัวหนึ่งแม่อืงอ้างกลับมาสองตัวนี้ก็รายงานแม่แม่แม่แ ม, แม่ไม่รู้สัตว์อร่อยตัวโตวมากมาเหยียบเอาลูกของแม่ตายไปแล้วหนึ่งตัวนี่ เราเรือกัน2องตัวแล้วแม่ขนาดไหนลูกขนาดนี้ได้ไหมเอืงอ่างมันพองได้ใช่ไหมขนาดนี้ได้ไหมลูกไม่ได้ตัวกว่านั้นอีกแม่ขนาดนี้ได้ไห ม, ไ ม, ไววนนนมขนาดนี้ได้ไหมขนาดนี้ได้ไหมท้องแตกตายเลยเห็นไหมนี่นั่นคือเอืงอ่างไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเนะี่ยมันพองได้แค่ไหนมันพองตัวได้แค่ไหนนี่ก็เหมือนกันเน่ เราต้องพอดีอยู่พอดีกินพอดีใช้จ่ายพอดีให้มันพอดีแล้วก็สบายถ้าพอดีแล้วก็มันสบายพอดีของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนี่ความพอดีจากนั้นเราศึกษาอริยามรรคมีองค์แปดไม่ใช่วะไอ้บรรลุเป็นพระโสดาสกาิทาอนาคาคาเป็นพระอาหารหันต์เอาแค่นี้ก่อน อยู่ให้มันพอดีพอดีกินให้พอดีใช้จ่ายพอดีนี่อะไรอะ่ะมีบัตรรูดจนเลยบัตรไปเห็นไหมวกว่าดเงินไว้กี่หมืน่นกี่แสนรูดมาลูกเดียวมันเลยพอดีแลยทีนี้มันเลยพอดีไปนี่เพราะอำนาจแห่งความอยากแต่มันผลิตออกมาใหม่ใหม่ใหมใหม่หมใหม่ ม, ม, ม, มเรื่อยเลยเรื่อยเลยฉะนั้นอย่างเดียวคือตอนนี้ ถ้าเราจะชนะสงครามไม่ยากเลยก็คือเรากินอยู่เป็นอยู่ให้พอดีให้พอดีนี่เราก็สบายนี่เราแพ้สงครามสงครามโลกครั้งที่สามน่ากลัวมากนี่คือสงครามโลกแล้วไม่มีใครรู้ว่าเกิดสงครามขึ้นมาแล้วสงครามเมื่อก่อนเนะก็ทิ้งระเบิดกันอะไรกันเดีย๋ยวนี้ไม่ ไม่ถึงขนาดนั้นมีบ้างกระปลิบกระปลอยไม่ต้องทิ้งมันก็ตายเองมันเน่ยแออีเซียเห็นไหมมันก็ตายไม่ต้องไปทิ้งมันมันลงทะเลตายเองมันแหละแล้วก็คนเมามันก็ขี่รถมันก็ตายเองมันแหละคนขี่เมาอ่เอาไม่ต้องไปทำอะไรมันนี่แหละวัตถุทางนั้นเลยวัตถุทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราต้องเป็นอยู่ให้พอดี ผู้ปฏิบัติธรรมอะนะผู้ปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเราปฏิบัติจริงจะว่าถือตัวเดียวคือตัวจริงเราภาวนาจริงเราจะเดินเราก็ภาวนานั่งก็เราภาวนานอนก็ภาวนาภาวนาแล้วก็พิจารณาไปภาวนาไปพิจารณาไ ป, าราไปเราคงก็เข้าคงจะงจะเข้าใจกันคำว่าสเตนบายสเตนบายไว้ภายในเรื่อยเรื่อย เอาบางคนเราไม่มีรถที่บ้านเราไม่มีปัญญาที่จะซื้อไม่เป็นไรเกิดรถเมย์เอายืนรอป้ายรถเมยก็ภาวนาไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใ่ยืนแล้วเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะมาทักทีก็ไม่รู้กูจะตายอยู่แล้วเนี่ยขาเข็ดเมื่อยหมดแล้วอ่าไม่ได้อย่างนั้นก็เดินเลยดิเดินตรงกลมอยู่ตรงนั้นเนี่ยยัยใครรู้ ไม่มีใกรรู้หรอกนะแล้วก็ยืนภาวนาภาวนานี่มันกําไรทางนั้นเลยนั่งในรถก็เหมือนกันแล้วก็ภาวนาไปภาวนาไปพอเนอะกําไรทางนั้นเลยทําได้ทางนั้นการปฏิบัติทำนี่ทีนี้ปล่อยให้เวลานั้นเสียไปทิ้งนี่ทิ้งหมดไม่รู้จักคําว่าสเตนบายนี่ต้องสเตนบายเอาไว้ away, อย่าให้เครื่องดับนี่พอกลับไปบ้านก็เครื่องดับแล้ว จบหกวันเจ็ดวันมากับอาจารย์ประเสริฐจบแล้วมันได้อรอ่อยที่นี่ได้อรอเอ๋อพอปฏิบัติเพราะว่าข้าวคอรกันมาอีกตั้งนึงใหม่อีกตั้งใหม่กันจนตายอย่างนั้นไม่มีคำว่าจบต้องปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันจะมีพลังจิตของเราจะมีพลังจนเราก็ไม่กลัวรวยที่น่ากลัวมาก รวยดีน่าครัวมีความทุกข์มากกว่าเราที่เป็นคนจนอกีกแต่ว่าเราปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะเป็นคนรวยรวยอะไรรวยธรรมะถ้าเรามีธรรมะอยู่ในจิตในใจมีเมตตามีปัญญารวยแล้วคนนั้นรวยแล้วเรามีปัญญานี่ยิ่งกว่ารวยจะ อ, อีเพราะเราไม่มีความทุกข์ไอ้นี่ทั้งโง่แล้วก็ทั้งจนไม่ไหวอะอย่างเงี้ยไม่ไหวฉะนั้นโอ้ธรรมะไว้ก่อน ธรรมะเอาไว้ก่อน เ, อเรามีธรรมะแล้วก็สบายสบายมากแต่ครอบครัวหน่อยที่ไม่มีธรรมะอ๋อบ้านก็ไปหาเมียใหม่แม่บ้านก็มีลูกมีลูกเสร็จแล้วก็เพราะว่า ว, ว่าหน้าครอบครัวเขวะแล้วได้เรื่องเลยถ้าอย่างนั้นได้เรื่องนี่แต่ถ้าหากว่าครอบครัวหน่อยมีความสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน ทำอว้พระจวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกันอะไรกันอ๋อนี่เสร็จแล้วลูกของเราเอาตัา้งแต่เล็กๆมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าให้ไปแต่โรงเรียนวันนี้ให้ทาวนั้นวันนี้ให้ทานั้นวันนี้ให้ทานั้นเรี้ยงกับเงินแน่นอนเลยอย่างนั้นพอมีโทรศัพท์ขึ้นมาอะไรขึ้นมามา่ใหมันไปจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทําอะไรติด นั่นเนอุปทานไม่ใช่อุปทานสำหรับเด็กผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่คุยกันแล้วเดินข้างกันนนนั่งทิมเดินทิมทิมทิมทอมหูก็เสียบก็ไปก็ทิมทิมทมเอไปนั่งรอรถรอรถก็ยืนก็ยืนทิมทิมทิมทิมเาไปรอเครื่องบินอะไรอย่างนี้ไม่ไม่คุยกันแล้วเอาคนอยู่ที่ไหน มาจากไหนและจะไปไหนไม่มีเลยเดี๋ยวนี้เมื่อหลายสิบปีเมื่อพ่อโตสามสิบหลวงพ่อไปอยู่สวีเดนสามเดือนโอ้เอยคนประเทศนี้ไม่คุยกันเลยนั่งรถไฟเงียบไม่มีใครพูดอะไรกับใครพอรถจอดออกเรื่องออมาต่างคนต่างเดินกันเพราะฉะั้นก็ไม่อะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกโอ้ทาไมก็เป็นอย่างนั้นคนประเทศนี้ พ่อไป่อยๆมามาปฏิทสธเราเป็นแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้นี่ของใครใครทิ้มกันแล้วตอนนี้ไม่พูดไม่คุยไม่จ้าอะไรก็ใครเลยวัตถกุกลืนกินพวกเราเนี่แหละทีนี้ลูกก็ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่นู่นมันไปเชื่อโัวละทัดมันไปเชื่อโทรศัพท์มันไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้หมดสภาพเราต้องถอยหลังก้าวกรองแล้วมันไม่ได้แล้วตอนนี้ ต้องไปเหมือนเดิมแล้วอืต้องอย่างนี้เอาขอพูดย่อแค่นี้ก่อนแล้วก็จะได้คุยธรรมะยงฟังมีทั้งรูปมีทั้งเพลงมีทั้งเสียงเอามาใช้เป็นประโยชน์ไม่อย่างนั้นอย่าไปดูเลยในโทรทัศน์มันเชื่อมันก็ไม่ใส่แล้วแลวผ้ามันก็นุ่งปลอกหมอนไม่ใช่ยากจนมันยากจนน่าสงสารพุทธาธาน ยังอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลําเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาปุทธธาตัคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่กูศศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มา ตามบรรชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธาตุยังอยู่ไปไม่มีตายอยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโครตรตามที่วางหัวอย่างเกยโอ้เพื่อนเ อ, อ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายเจ๊ เรามาดูว่าคำว่าอยู่กับตายคำว่าอยู่กับตายนี่พุทธธาตแปลว่าธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เนื้อหนังของพระพุทธเจ้าแต่ว่า เพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญาตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงของร่างกายของจิตของสรรพสิ่งอนิจจังคือความไม่เที่ยงไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเืล่อยทุกขังยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ที่ตัวเราเองก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ สิ่งภายนอกก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่นี้เมื่อเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเกิดทุกขังขึ้นมานั่นเรียกว่าทุกขังอนัตตาที่เราเข้าใจว่าเป็นอัตตาคือตัวตนแต่แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนจึงชื่อว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจะรูปลงไปว่าสุญญาตา ว่างจากตัวตนสิ่งทั้งหมดว่างจากตัวตนแต่เราจะต้องปฏิบัติให้เห็นอนิจจังก่อน ให้เห็นทุกขงังให้เห็นอนัตตาให้เห็นสุญญาตาปฏิบัติอย่างไงตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิพอถึงสัมมาส ม, มาธิจิตเป็นส ม, มาธิยกจิตขึ้นสู่ปัญญาเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่วิบัตนะินาคือสัมมาทิฏฐิ ทีนี่การยกจิตขึ้นสู่สัมมาทิฏฐิเพื่อที่จะพิจารณาว่าอนิจจังนะมันคืออะไรเอาตั้งแต่ปลายผมลงไปถึงปลายเท้าอนิจจังทางนั้นเลยไม่มีอะไรเที่ยงมีแต่สิ่งไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยไม่ยอมแก่ ก็ต้องแก่ไม่ยอมเจ็บก็ต้องเจ็บไม่ยอมตายก็ต้องตายแน่นอนที่สุดนี้คือร่างกายทีนี้พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตายอยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยมองไม่เห็ น, นด้วยธรรมโคตร ตามที่วางไว้อย่างเคยโอ้เพื่อนเ อ, อ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชุญาตาเราก็ปล่อยวางิปล่อยวางทั้งร่างกายทั้งจิตใจนี่แหละเราปล่อยวางทีนี้เราปล่อยวางเกิดความแก่ขึ้นมาเกิดความหนมุ่มความสาวขึ้นมาก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้อะไร แต่ลงทุกวันทุกวัน ก, นกไไ็ไม่ได้เสียใจเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจปล่อยวางพอจะตายขึ้นมาปล่อยวางคิดถึงความเกิดคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายปล่อยปล่อยที่ตัวไหนปล่อยที่ตัวเกิดเกิดความรู้สึกขึ้นว่าตัวกูนี่มาแล้วพอเกิดความรู้สึกกันว่าตัวกู มันไม่ใช่กูถ้ากูมันต้องบังคับมันได้ผมงอกจากเส้นยังยังบังคับไม่ได้เลยจะไปบังคับอะไรมันได้นี่ปล่อยมันไปแล้วก็เราก็จะมีปัญญาเนีโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองผมงอกมันเป็นอย่างนี้เองวันหลุดมันเป็นอย่างนี้เองหนังเหี่ยวมันเป็นอย่างนี้เองศึกษาไปโอ้บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้นี่คืออนิจจัง แต่แล so it so so ้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็ไม่เกิดในความแก่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเจ็บก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความตายก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นตัดตัวเดียวคือความเกิดตัดความเกิดว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่กูความรู้สึกนี้ไม่ใช่กูความรู้สึกเป็นอะไรเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดดับ เองก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนร่างกายความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเราปล่อยตัวเดียวปล่อยจิตตัวความรู้สึกที่ข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวนี้ความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องไปทําอะไรมันมันก็หลุดไปเองเพราะเราไม่ข้าไปยึดมั่นถือมันอ่นไอ้นี่เรามาคํานวณดู啊 ก็คิดถึงความแก่โอ้ยทำยังไงทำยังไงเนี่ยแก่ขึ้นมาทำยังไงถ้าลูกไม่เลี้ยงอยู่ยังไงตายแน่ตายแน่แ น, นี่เป็นทุกข์กันทางนั้นเลยพอเจ็บก็เป็นทุกข์พอตายก็เป็นทุกข์ทุกเพราะอะไรเพราะจิตโง่ข้าไปยึดมั่นถือนมัน่นเห็นไหมมันข้าไปยึดมั่นเถือมันมันก็เลยเป็นทุกข์แค่เป็นทุกข์วันหนึ่งกี่ครั้ง คิดถึงความแก่ความเก็บความตายทีหนึ่งเป็นทุกทีหนึ่งคิดถึงทีหนึ่งทุกทีหนึ่ ง, งแต่ถ้าเราภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่ ก, ชกูนี่ไม่ใช่โฆษณาขายหนังสือหลวงพ่อก็เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งว่าไม่ใช่กูถ้าใครอยากจะอ่านก็ไปซื้อ ain ain ain ร้านไหนอินร้านไหนอินอยู่ร้านนายอินทางนั้นเน่ยของหลวงพ่อนี่เรามอบบิลกษัติย์ให้ โยมเมตตาเขาแล้วก็ก็จัดพิมพ์เขเองถ้าหลวงพ่อจัดการเราเขาก็พิมพ์แล้วก็ของหลวงพ่อนึ่แจกลูกเดียวไม่มีอย่างอื่นจากนั้นการที่เราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดความทุกข์เพราะความหนุ่มความสาวความแก่ความเจ็บความตายนี่ใครบอกว่าเออเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วจะไม่เป็นทุกข์ทำไงไม่ทุกข์ก็นวดไปถึงเกาหีใต้หน่อยไปผ่าตัดเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง หอไทยก็เก่งแล้วมาตัดกันใส่กระดูกตรงนั้นใส่อันนั้นตรงนั้ น, น, นใส่อันนี้ตรงนี้เพราะมันไม่อยากแก่เนี่ยไม่อยากแก่บางคนมานั่งเรียงหน้ากันเออคนไหนลูกคนไหนแม่ก็ไม่รู้ไปไปมามาทั้งแม่ทั้งลูกสาวทั้งนั้นเลยนีอ่ะอะไรมันถึงขนาดนั้นก็ไม่รู้คนสมัยนี้งานวิธีทำไม่ให้ฉันตาย แม่ฉันตายกายรับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแก้วแววหูสงายว่าเคยพรอดกันอย่างไรไม่เสื่อมกลายก็เหมือนฉันไม่ตายกายทำอย่างทำกับฉันอย่างกระฉันนั้นไม่ตาย ยังอยู่กับท่านทั้งหลายอย่างห้นหลังมีอร่อยมาเขีย่ยวขายให้กันฟังเหมือนฉันนั่งช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกระฉันที่สุดได้เลิกตายกัน ถ้าจเข้าสู่ธรรมชาติ1นเห็นอนิจจัง2องเห็นทุกขังสามเห็นอนัตตา4เห็นสุญญาตาทุกอย่างเป็นธรรมชาติเกิดดับว่างกากัวตนเกิดดับว่างกากัวตนเกิดดับว่างกากัวตนแล้วมันมีกูที่ไหนถ้ามีกูจริงมันต้องเลิกเกิดแล้วก็เลิกดับ แต่นี่มันไม่จริงมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังแล้วก็ก้าวยังทุกทุกทางนั้นเลยเพราะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่อย่างเล็กแล้วมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นถ้าเป็นอัตตาเลยมันจะโตขึ้นมาได้ยังไงนี่มันเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตา แล้วต่อไปมันก็แก่ต่อไปมันก็เจ็บไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเกิดทีหนึ่งคือเกิดว่าตัวกูทีหนึ่งทุกทีหนึ่งเกิดตัวกูทีหนึ่งทุกทีหนึ่งวันหนึ่งมันมีกี่เกิดลองคิด ด, ดูเถอมันมีกี่เกิดเกิดทุกทีมันทุกทุกทีเกิดทุกทีมันทุกทุทก ท, ท, ก ท, ท, กทีแต่ถ้าเกิดด้วยสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้อง เห็นโอ้มันเกิดดับนี่เห็นด้วยสติปัญญาถ้าเห็นด้วยสติปัญญาเอา้าความแก่หลวงพ่อดูตัวเองดูในกระจกโอ้ยผมหงอกทั้งหัวก็ช่างหัวมันไม่ใช่หัวกูหัวมึงนี่เห็นไหมหัวมึงนู่นแก่ที่ง อ, อทีเอ่เห็นเนื้อหนังมันแก่เป็นจุดเป็นด่างๆดางําๆดำดขาวมั่งดํามั่งเออมันแก่ก็ช่างมัน้วยังทําประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ได้ ไมเห็นมันเป็นอะไรนี่หเห็นไหมทีนี้เราก็ประคับประคองมันแหละประคับประคองมันว่าเรายังมีเลี้ยวมีแรงเราก็ทําประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์เมื่อวานนี่เสร็จแล้วก็ไปนูน่นไปโรงพยาบาลนครต น, นสามเดือนหนึ่งครั้งสามเดือนหนึ่งครั้งต ร, รวจสุขภาพหมอก็ก็ดูแลสุขภาพเพราะาเราจะได้เป็นทาสก็นานๆเป็นทาสญาติโยมนั่นแหละ นานๆก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อมีหน้าที่เดี๋ยวนี้มีหน้าที่นอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วต้องช่วยเหลือผู้อื่นนี่เขาอยากให้อยู่นานๆโอ้หลวงพ่ออยู่นานๆ น, น, นะอยู่ไปต่ำไมยอยู่นานๆว่นานจะได้เป็นจะได้เป็นอะไร จะได้เป็นพลังจิตให้คนอื่นบอกเอออยู่จะได้เป็นทาสก็นา น, น, านไม่ใช่อะไรแต่หลวงพ่อไม่เกี่ยงหรอกมีชีวิตยอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งทําประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคิดถึงเพื่อนมนุษย์คิดถึงเพื่อนมนุษย์อย่างเดียวทุกอย่างแม้แต่ปลูกต้นไม้จากต้นหนึงอ่าพ อ, อปลูกต้นไม้เออก็จะได้สบายใจ เขาขึ้นมาบนวัดหลวงพ่อเขาก็จะได้สบายใจอ้าวขึ้นทางสะพานยอมที่ยังไม่เคยไปอ่ะอวัดหลวงพ่ออยู่กลางใจเมืองจังหวัดพัทลุงเลยแต่ว่าอยู่บนเขาอยู่บนเขาหลวงพ่อก็ทำสะพานให้ขึ้นโอ้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อขึ้นสะพานพอขึ้นมาใกล้จะจบนะมันเข็ดเอวเข็ดเอวเข็ดเอ ว, เอ ว, เอวมันเข็ดเล้วจังหัวมันเอ ว, ม, เอวมันไม่ให่เอวกู นี่ก็เดินสามขาทีนี้ถือไม้เท้าทีนี้หลวงพวว่อผลิตขึ้นมาใหม่ทำสะพานวนเนี่ยกำลังจะเสร็จแล้วสะพานวนขึ้นได้แล้วทำสะพานวนมันก็คณชานวิทยกก์ก็ก็ช่วยกันญาติโยมทุกคนก็ช่วยกันทำสะพานวนพอทำสะพานวนมันก็มีคือเรียกว่าสองข้างมันก็มีราวสำหรับที่จะให้จับ เขาก็กดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเออไอทางเก่ามันมีแต่ทออย่างเดียวแต่ว่าทางใหม่ทออะรองขานะ่ะทอไปแต่นี้ไอรองแข่น่ะก็จับจับแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นเออทั้งภายทั้งทอนี่มันดีเว้ยไม่เหนื่อยแเห็นไหมทั้งพายทั้งทอมันไม่เหนื่อยเลยขึ้นก็ไม่เหนื่อยลงก็ไม่เหนื่อยเออดีทางนี้ดี นี่หลวงพ่อไม่ใช่ว่าทมเพื่อจะมีชื่อมีเสียงทำให้เพื่อนมนุษย์ที่เขาขึ้นไปหาธรรมะไปเจอหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อเขาจะได้สบาย เ, <อ>เห็นไหมเราทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นทั้งนั้นเลยเดี๋ยงนี้ ก, ก็ขาคิดถึงผู้อื่นมีอะไรก็คิดถึงผู้อื่นไปต่างประเทศอย่างน้อยที่สุแต่พวงคุณแจ่ไ ตองเอาเออกมาห้ญาติโยมที่ก็เออเรากินของก็ทุกวันทุกวันทุกวันไปบินตบาทบินตบาทก็ไม่ไหวแล้วแหละแต่ทําไมจึงจะไม่ไหวลุงเพรานั่งรถซาเล้งไปเด็กมันขับไปถึงก็เปิดบาทแก่นั้นเองนี่ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วรถซาเล้งอบอกเน่คุณติ๊กที่มาเมื่อกี้นั่นแหละตายนั่นก็ญาติโยมทุกคนเละไปกันท่ามัจจันต้าแอนโลล่า หลวงพ่อก็ไปเห็นรถของอินเดียเขาอินเดียน่ยไปจนเบื่อแล้วที่อืนอ่นน่ะไปเลยไปทําอ จ, จันตาแอนโลลาเราไปถึงที่มุมไบอโอ้รถก็เล็กๆดีนี่เล็กๆดีแล้วก็ปิดบังเรียบร้อยแต่ของหลวงพ่อจาเล็กเนี่ยมันเปิดสีทิศเลยพอไปไหนมาแล้ววัดเกางเนียงมาแล้วอ่าเนี่ยเห็นหลวงพ่อเจนี่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยอุจารวิทย์ หลวงพ่ออยากจะมีรถอย่างนี้แหละทำได้ไหมคุณจันทวีตว่าได้มาไ ด, ได้ได้นี่ยกำวานก็ออกแบบมาให้ดูอก็เอาตกลงตกลงทำอย่างนั้นนี่หลวงพ่อไปบินธบาดนั่งรถซาเล่นห้อยแกถ้าถือบาตรมันไม่ไหวแล้วมันเก็ดหลังทำไมมันจึงเกิดหลั ง, งอ่ะหเราก็จับได้แล้วที่มันเก็ดหลังอเราปีหนึ่งหลวงพ่อเป็นโรคไส้เลือด หมอเป็นโรคไส้เลื่อนทีนี้ไปให้หมอผ่าตัด เ, เราก็ไม่ได้ว่าเาผ่าตัดนั้นมันเป็นยังไงแต่ เ, เขาจายายาตลบด้รืว่าเราไม่ได้ศึกษาเนี่มันโง่ที่ตรงนั้นแต่เนี้หมอก็บอกว่าเออต้องบล็อกหลังหลวงพ่อบล็อกหลังเราก็ไม่รู้ว่าบล็อกหลังมันคืออะไรเสร็จแล้วก็าก็ฉีดก็ที่สันหลังนั่นแหละที่กระดูกสันหลังเลยฉีดเช่นประสาทสันหลังแล้วทีนี้เป็นยังไง เส้นมันแตกแในที่นี้เส้นข้างหลังเนี่ยมันแตกเส้นประสาทพราแตกแล้วมันไม่เข้าที่นี่เห็นไห ม, ไมหมอเนี่ยเขาคิดว่าเว้นกรรมก็แล้วกันเดี๋ยวนี้ก็ทําประโยชน์ให้หมอทําประโยชน์ด้วยการสร้างเครื่องหายใจให้หมอโรงพยาบาลพัทลุงสองเครื่องล้านกว่าสร้างให้โรงพยาบาลชนบุรีเนี่ยปีนี้เพิ่งออกไปให้พร้อมทั้งเตียงทั้งอะไร เราให้ทุนการศึกษาอห้ให้ใหให้ทุนการศึกษาเด็กที่เรียนหมอน่ะเด็กที่ลาบากกันเนี่อใหตกลงวาเราเป็นคนป่วยใจเองก็ไม่เป็นไรสร้างมันนี่หลวงพ่อจะช่วยแต่ผู้อื่นช่วยผู้อื่นช่วยผู้อื่นนี่แล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงชีวิตของหลวงพ่อที่เหลือนี่ไม่ใช่เป็นของหลวงพ่อแล้ว เป็นของผู้อื่นก่อนที่จะนอนหลวงพ่อ ก, กราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระอายงสงชีวิต ท, ที่เหลือนี้ถาวายกับพระพุทธเจ้าถาวายกับพระธรรมถาวายกับพระอรายสงทั้งหลายแล้วหลวงพ่อก็จะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้นี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายอย่างไงมันก็ตายอยู่แล้วแล้วไปกลัวมันทำไมอย่ามันเสียเวลา เล่นกันปรางปราพ่อจะได้พักเหนื่อยบุรเกิชาธมรเกชา สังหันสระหัน ได้ลองตามได้ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมล้วนเป็นความว่างแม้จะเป็นธรรมชาติที่ดูแตกต่างกันและไม่เกี่ยวข้องกันแต่แท้จริงล้วนว่างจากตัวตนทั้งสิ้น กำลังทำเสื้ออยู่ตอนนี้ทำไปแล้วสามร้อยแจกหมดแล้วบอกโยมว่านี้จะทำเสื้ออีกจะทำจากสามร้อยพอกลับจากอินเดียโยมก็อนุโมทกันเหลือเกินกว่าจะหนึ่งพันตัวทีนี้สันยลักษ์สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลม หมายความว่าอย่างไงเนี่ยข้างหน้าเขียนว่าสี่บวกกับสามเท่ากับศูนนี่ให้เสื้อแสดงทำมั่ง แคนี้พอคนเห็นเ็าบกว่าโอ้ครยที่อ่อนเลขเหลือเกินไม่ได้อ่อนเลขสี่นยมอริยสัตซีสามเหลี่ยมพารัตนไตรัยพระพุทธธรรมประสงค์วงกลมสุญญาต า, าเห็นไหม เราจะต้องปฏิบัติธตมรมยมัคมีองแป8สัมมาทิฏฐิจนถึงสั ม, มาส ม, มาธิถึงสั ม, มาส ม, มาธิจิตเป็นส ม, มาธินั่งภาวนาเดินภาวนานอนภาวนาไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูถ้าจะยาวไปอีกไม่ใช่กูอยู่ว่าง ไม่ใจโกอยู่ว่างๆนี่ทำอยู่อย่างนั้นจนจิตนิ่งเราจะนั่งหรือเราจะทําอะไรพอจิตนิ่งพอจิตนิ่งเราก็ต้องยกจิตขึ้นรูปัญญาเรียกว่าวิปัชนายกจิตขึ้นสูตรสัมมาทิฏฐิทีนี้ถ้าเราไม่ยกไปรูธรรมยกขึ้นรูสัมาทิฏฐิจิตนั้นมันก็จะจมปรักอยู่ คือมันอยู่กับองฌานแลเพราะยอดของสัมมาทิฏฐิก็คือฌานเป็นฌานเป็นปฐมฌานสแล้วเป็นฌานเบื้องปลายอีกสี่จากฌานสี่ก็เป็นฌาน8ปทีนี้ไ ป, ไปนิ่งอยู่เหมือนกับหมีข้าไปอยู่ในจำศีลอยู่อย่างนั้นแหละมันทำอะไรไม่ได้ จิตที่มันข้าไปอยู่ในองค์ฌานที่มันนิ่งทําอะไรไม่ได้เลยมันลึกเกินไปจากนั้นคําว่าพอดีพอดีเนี่ยคือให้มันพอดีให้มันพอดีพอมันพอดีแล้วเอาก็ยกขึ้นตูง ว, วิปัชนาคือยกขึ้นถูงปัญญาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนิกายเซนนี่เรื่องทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของเซนนะเซน เซนไม่ใช่ก็ไม่มีเงินก็มีเงินแต่ว่าเสซนนี่แปลว่าเพ่งแปลว่าเพ่งเสซนนี่แปลว่าเพ่งหรือว่าฌานแปลว่าเพ่งยี่นี้พระเซนน่ะเขาก็ไม่ต้องนั่งสมาธิเหมือนเราหราอกพระเซนนี่เขาจะอย่างพระสังกนายกองค์ที่หในประเทศจีนก็ตำข้าวคืออยู่กันตั้งเป็นพันลูกศิษย์ ท่านก็เป็นคนยากจนลำบากแต่ว่าสนใจในการปฏิบัติธรรมเพราะได้ยินพระรูปหนึ่งเป็นสาธยายธรรมที่ตลาดท่านพอได้ยินที่เขาสาธยายธรรมก็เลยแว็บก็ไปเนี่ยมันเข้าไปในจิตทันทีเลยท่านก็ถามว่าพระรูปนั้นมาจากไหนที่มาบรรยายธรรมเนี่ยพระก็บอกว่ามาจากสำนักโน้นสำนักโน้นหัวหน้าสำนักก็คือ พระสังกานายกองค์ที่ห้าท่านก็เลยเพราะท่านต้องเลี้ยงแม่แล้วที่มาในตลาดเอาไปเก็บฟืนออกมาขายขายฟืนขายฟืนก็ขายฟื น, ฟ น, ฟ น, ฟนเสร็จแล้วก็เอาแม่นี่แหละให้ฝากเพื่อนบ้านเอาไว้แล้วก็ไปแล้วพอไปถึงก็ไปโน่นสะำนักต้นฉบับนนสังกานายกองค์ที่ห้าพระสังกายนายกองค์ที่ห้าก็ท่านก็ถามว่า เธอมาจากไหนที่นี่หัวเมืองทางใต้เนี่ยมันเป็นคนป่ากลันมากเป็นคนป่าเป็นคนที่ที่ลาบากยากจนมากเธอมาจากโน้นอท่านก็เป็นคนป่าคนเยิงเนี่ยคนเยิงหมายถึงคนป่าคนเถื่อนเป็นคนป่าคนเถื่อนนี่จะมาปฏิบัติธรรมกับเขาด้วยเหรอท่านก็เลยตอบว่าก็เหมือนกวดหลวงพ่อนั่นแหละเอออเด็กคนนี้มันฉลาดจริงอ ก็เลยท่านบอกว่านี่ไปไปอยู่ที่ไปทำหน้าที่โที่ลงกระเดื่องนี่เพราะว่าต้องอาตาข้าวตำข้าวตลอดทั้งวันแหละเลี้ยงสิทธิ์ตั้งพันคนท่านก็อยู่ที่ลงกระเดื่องนี่ทำงานไปปรางปฏิบัติธรรมไปปรางนี่ก็ใช้เท้านี่ใช้เ ท, ท้าเหยียบ หยีบต็งลงเหยียบทีนั่นก็เต็งลงเหยียบที่ก็เต็งลงเ น, งง น, งงนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วก็ออกมาฝัดออกมาอะไรทําให้จนเหลือกมันออกหมดอมแต่ท่านก็ภาวนาท่านภาวนาว่เต็งวางตึงวางตึงวางเรียก ว, ว่าเต็งไม่ใจโกูต็งไม่ใจโกูี่ท่านทําอยู่อย่างนั้นท่านทําอยู่อย่างนั้นเห็นไหม การทำงานคือการปฏิบัติธรรมนี่ทีนี้ถ้าเราทำงานทำงานไปทำงานไปอโอ้ยังไม่สิ้นเดือนเลยก็เมื่อไหร่เงินเดือนจะออกทำไปพรางเป็นทุกข์ไปพลางทำงานไปพรางเป็นทุกข์ไปพลางนี่มันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นอยางนั้นทำงานคือการปฏิบัติธรรมเราจะเดินก็คือทำงานอย่างหนึ่ง เราจะหายใจนี่เขาเรียกว่าเป็นการทํางานทางนั้นเลยฉะนั้นให้รู้ว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมจนวันหนึ่งท่านรู้ขึ้นมาท่านรู้ขึ้นมาท่านก็ไม่ได้อะไรเพราะท่านเองอ่านหนังสือก็ไม่ออกนี่พระสังกยนายกองค์ที่6อ่นหนังสือไม่ออกทีนี้พระสังกานายกองค์ที่หเพราะสมัยนั้นเขาจะต้องมอบบาทและจีวรให้ผู้ที่มีความสามารถรู้ธรรมะสอนผู้อื่นได้ ท่านก็เลยประกาศว่าใครที่มีความสามารถให้เข้าไปหาท่านเข้าไปพ้นหัวนาสิทธิ์นี่หัวน้าสิทธิ์ก็โอ้ยสู้ไม่ไหวข้าไปยังไม่ถึงเลยเหงื่อแตกทุกทีเพราะว่าท่านยังไม่รู้ธรรมะขั้นลึกซิ้งเนวันนั้นยังไงยังไงก็ต้องต้องต้องเข้าไปแล้วต้องเข้าเอาไม่เข้าไปอีก นี้ไอ้ที่ข้างๆทางเดินของพระสังกานายกองที่หหน้ากุฏิของท่านมันจะมีกำแพงท่านก็เลยไปเขียนที่กำแพงนั่นแหละร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพธิ์จิตเปรียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเช็ดมันทุกเวลามันจึงใสสะอาดอย่างนั้นท่านก็ออกมาภาคเช้านะมาท่าน้าอ่านโ อ, โอ้นี่ใครเขียนบอกสิสร็์ก็เลยบอกว่านี่หัวหน้าสิทธิ์เขียนครับผม โอ้เออพวกเธอไปโจทกันให้หมดทุกๆคนในะสำนักแล้วก็เอาไปท่องกันมันจะได้ไม่ตกนรกแน่ท่านว่าอย่างนั้นอ๋อทีนี้ก็ท่องกันครมทางวัดเลยท่านก็ได้ยินดีก็คือ คนที่ตําข้าวเนี่ยได้ยินเขาท่องอะไรกันก็าท่องอะไรกันคือพระสังกานายกองค์ที่6ก็เรียกว่าจิตโม่จิตโง่โงโงไปเรียนเซนหนังถือที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสแปลออกมาสองเล่มของเซนคือสูตรรวยหลางกับจิตโง่เรียนเซนจิตโง่ไปเรียนเซนอย่างนี้จิตโง่เรียนเซนนี้เนี่ยแกตำข้าวไปพฟางอะไรไปพฟางจน บรรลุธรรมะพอบรรลุธรรมะมีคนในพวกศิษย์ด้วยกันไปท่องท่องทองเอ๊ะ ก, ก็ท่องอะไรกันโอ้ยเจ้านี่โง่จริงก็ท่องกันทั้งวัดแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยอ่าเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอออย่างนั้นพาฉันไปดูด้วยจะต้องไปค้ำค้ำเพราะตอนกลางวันฉันไม่ว่างฉันจะต้องตําข้าวก็เลยจุดตะเกียงแล้วก็ไปไปไปดู ไปดูเด็กให้เพื่อนอ่านในขฟังอีกครับเพราะว่าตัวเองอ่านหนังสือไม่ออกทีนี้ก็พอเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ก็อ่านให้วางว่าร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิจเปรียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเช็ดมันทุกเวลามันจึงใสสะอาดเนี่ยท่านก็เลยบอกโอ้โอ้โ อ, อเพื่อนนี่จ่วยจด้เราด้วยเราก็มีอ่าเราก็มีเรียกว่าชูพาสิตเหมือนกันจดให้เราด้วย ก็เออเก่งจริงนะจาะ้านะเอา้เอาออกมาบอกมาจะจดให้ท่านเลยบอกว่าเมื่อไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาที่ฝุ่นมันจะลงจับที่ตรงไหนเห็นไหมเมื่อไม่มีต้นโพก็คือไม่มีร่างกายนะีเมื่อร่างกายก็ไม่ใช่กูแล้วจิตจริ่งไม่มีตัวไม่มีกูใหญ่เลยจิตมันว่างจากกูตนมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นนะ ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นะคืนให้ธรรมชาติมันเทียนอีนี่ท่านก็ให้เขียนว่าเมื่อไม่มีต้นโพไม่มีกระจกองแล้วกี่คนมันจะลงจับที่ตรงไหนเเห็นไหมฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าเมื่อจิตไม่ใช่กูเมื่อจิตไม่ใช่กูไอ้ความแก่ความตายมันจะมีขึ้นมาได้ยังไงมันไม่ใช่กูเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับมันมันไม่ใช่กูนี่แล้วก็มันไม่ใจของกูนี่ นี่อย่างนี้ทีนี้ท่านก็ให้เขียนพอเขียนว่าเมื่อไม่มีร่างกาเมื่อไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาที่คนมันจะลงจับที่ตรงไหนอาจสังกนายกองทีหาออกมาเห็นอีกพอไปนี่ใครเขียนใครเขียนท่านว่าใครเขียนก็มีสิทธิ์รายงานอีกอ๋โอน่นไอคนที่มันตำข้าวอยู่ครับผม เขียนให้เพื่อนเขียนให้ไม่ได้ไม่ได้ไไดท่านก็เลยเอาเท้าลบเอาเท้าลบหมดเลยเอาไหว้เลยเพราะว่าหัวหน้าจิตนะ่ะอิจฉาอิจฉาเลยจะทําร้ายท่านนี่อย่างนั้นท่านก็เลยก็กดึกๆึกไปหาไปที่พักไปที่พักก็กมีโคดรลับกันไปถึงก็เอาไม้เท้านี่เคาะสามครั้งแล้วก็กลับกุฏิเคาะสามครั้งหมายถึงว่า ประมาณทึกตีสามให้ไปหาท่านก็เลยไปหาท่านสิทธโง่ไปหาท่านมาท่านท่านก็บอกว่าเธอนี่ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเธอมีเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับบาตรรับจีวรนะของพระสังกายยกซึ่งให้กันติดต่อกันมาตั้งแต่พระสังกายกองที่หนึ่งที่มาจากประเทศอินเดียเสร็จแล้วบอกว่าโอ้แล้ว หลวงพอ่อถ้าผมจะไปทางไหนผมไม่รู้เลยว่าไปทางไหนไปยังไงแล้วไปอยู่ที่ไหนดเธอเนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราจัดการเองท่านก็เลยอ๋อลงลงเรือให้ลงเรือแล้วท่านก็พาไปส่งไปชงขึ้นฝั่งแล้วก็บอกว่าไปทางนี้แล้วก็ไปอยู่ทางนั้นไปขึ้นเขาทางโน้นไปซ่อนตัวทางนั้นนี่มันเรียกว่าดัตรูมากดัตรูก็คือ หัวหน้าจิตนั่นแหละต้องการที่จะไปไปปร้นบาตไปปล้นจีวรพระสังกานายกองค์ที่หกทีนี้เรามาดูแต่ว่าเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อจิตมันว่างกากัวตนเพราะจิตเองก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเมื่อจิตมันว่างกากัวตนและจิตว่างแล้วมีสติปัญญาไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรว่างคือเต็มด้วยสติปัญญาฉะนั้น เมื่อจิตเต็มด้วยสติปัญญาแล้วแต่ความโง่มันข้าไม่ได้นี่แล้วก็ไม่ค่าไปยึดถือกายไม่ค่าไปยึดถือตัวจิตเองสี่เหลี่ยมก็คืออริยสัจส์่เมื่อเราปฏิบัติตามริยมรักไปองแปดเมื่อปฏิบัติตามริยมรักไองแปดจนถึงสัมมาทิฏฐิสลับข้อกันก็ได้เราจะเอาข้อไหนก็ได้ปฏิบัติกันไปแต่ว่าครบทั้ง8ด ออครบทั้งแป่พอเป็นสมาติกดยกขึ้นถูข้อแรกคือสมาทิฏฐิออยกขึ้นถูสมาทิทิมีความเห็นอันถูกต้องไม่ใช่เห็นกับตานะตาหน่เกิดแล้วเกิดตาหน่อยแล้วพอเกิดตาหน่อยขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในธรรมจักกัปวัตนสูตรในเล่มที่เราอ่านเราแปลนั่ น, นแหละพระพุทธเจ้า พรองค์เลยแต่ว่าจักกุงอุตปาธิจักตรูเกิดขึ้นแล้วแก่เรานั่นคือดวงตาปัญญาดวงตาปัญญาข้างน้อยหนุนในจิตนั่งจักตรูเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณญาณเกิดขึ้นแล้วแกเราญาณคือตัวรู้แต่้าชาณน่ะตัวเพ่งญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วก็เต็มรูปแบบปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราจักกุอุตปาธิ ญาณังอุตปาธิอุตปาธิเนี่ยแปลว่าเกิดขึ้นปัญญาอุตปาธิาวิชชาอีกวิชชาอุตปาธิแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันมีแต่อวิชชาอุตปาธิมันเกิดทุกวันทุกวันทุกวันมันเกิดแต่งโงูโงูโงูโง้งูอยู่อย่างนั้นเนี่ยอวิชชาอุตปาธิแต่ว่าของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์วิชชาอุตปาธิแล้วก็อาโลโกตปาธิ อาร โ, โกตแต่พอดีคือพลังพลังแห่งเรียกว่าแห่งปัญญาแต่ก็มาแปลว่าพลังแห่งแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราคือพลังแห่งปัญญามันเหลือล้นจนเห็นว่าโอ้ยทั้งโลกไม่มีอะไรเลยมันว่างจา ก, กาตัวตนทางนั้นเพราะมันอยู่ใต้อำนาจของอนิจจังอยู่ใต้อำนาจของทุกขงังอยู่ใต้อำนาจของอนัตตาเห็นไหมนี่ทีนี้สี่เหลี่ยมนี้พูดกันนานหน่อย สี่เหลี่ยมก็คือเหลี่ยมที่หนึ่งี่อริยสัจสี่เหลี่ยมที่หนึ่งก็คือทุกเหลี่ยมที่สอง้ได้เกิดทุกฉะนั้นโยมทุกคนมีความทุกข์กันทางนั้นเมื่อมีความทุกข์กันทางนั้นพอทุกมันเกิดไม่รู้จักแก้ไม่ศึกษาเมื่อทุกเกิดก็ศึกษาทุกนั่นแหละศึกษาทุกนั่นแหละว่า มันเกิดมันมาจากไหนเนี่ยความทุกข์นี่มันมาจากไหนมันมิเหตุของมันฉะนั้นเหลี่ยมที่สองคือเหตุได้เกิดทุกข์เหุ้ได้เกิดทุกข์ก็คือราคะโทสะโมหะอ๋อมันลึกไปความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันเกิดจค่ว่าเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นพอเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมามันไม่ได้ดังใจมันก็มีความทุกข์ได้ดังใจมันก็มีความทุกข์ มันมีความทุกข์ทางนั้นแหละตอนที่ยากจนก็ลาบากไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้พยายามขยันมันเพี้ยนจนมีเงินมีทองขึ้นมาพอมีเงินมีทองก็เอาไปกันใหญ่ที่นี่ทุกมากกว่าตอนที่ยากจนใช่อีกนี่เห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันยึดมั่นถือมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ น, นี่ทุกมันมาจากเหตุแต่ว่าเหตุได้เกิดทุก เหลี่ยมที่สองเหลี่ยมที่สความดับทุกขที่ว่านิโรธนิโรธนี่คือดับนิโรธนี่เป็นผลทุกก็เป็นผลนิโรธเป็นผลอันี้เหลี่ยมที่สนี่โยมก็คงจะรู้เหลี่ยมที่สี่ก็คืออริยมรรคเราจะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมนองค์8เมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมนองคปรก็ได้ตัวดับมาคือนิโรธ นี้โรจนี้ก็จะต้องวหวสําหรับที่จะดับดับอะไรดับเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเลี่ยมที่สองอ่ะพอดับเหตุให้เกิดทุกข์เสร็จแล้วเป็นยังไงไอ้ความทุกข์มันจะตั้งอยู่ได้เลยความแก่ก็ไม่ใช่ของกูความเจ็บก็ไม่ใช่ของกูความตายก็ไม่ใช่ของกูเพราะความเกิดความรู้สึกว่าตัวกูมันไม่มี พอเกิดตัวกูขึ้นมาโง่ไม่เอาไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กู้ภาวนาให้เข้าไปในเส้นเลือดเลยให้เป็นอยู่ในเนื้ออยู่ในเลือดอยู่ในสมองเลยไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กู้นี่แล้วมันก็ไม่ต้องทุกข์แต่นี้ทุกมาละอยา่างนี้แก้เรามีวิธีแกจันนั้นเราจะต้องไต้ต้าไปไต้ต้าไปว่าอไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนเนี่ยเออเงินเดือนไม่พอ ทำไมใช้มากแกไหมใช้ประหยัดไหมไม่ได้ประหยัดนี่เลยมันก็เลยไม่พอได้มาไม่พอใช้ไม่พอจ่ายแล้เวเดี๋ยวนี้มันยิ่งลําบากลําบากแล้วก็ต้องประหยัดนี่อยู่ได้ด้วยความประหยัดฉะนั้นความทุกข์เกิดขึ้นมานี่เราคิดว่าลาบเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะได้มีสติปัญญาขึ้นมาแล้วก็ใจต้าขึ้นดอกมันมาจากไหนอ๋อมันมาจากเก็ยมั่นถือมั่น เราต้องปฏิบัติตามอริยามรักไอ้มันพอดีพอดีพอดีกินอยู่พอดีใช้จ่ายพอดีอะไรพอดีนี่พอพอดีแหละด้านแหละเราปฏิบัติตามอริยามรักแล้วมันก็ได้พลังมาคือความพอดีไอ้หยุดอยากเดี๋ยหยุดอยากเดี๋ยวพอเราหยุดอยากเดี๋โอ้สบายทีนี้ไม่เอามันชินมันเป็นนิสัยอมันเป็นนิสัยเอาไม่อยู่แต่กับความทุกข์อะไรอย่างนั้นนี่เป็นอันว่า พอเราทำจนชินแล้วสี่เหลี่ยมนี้ก็เข้าไปอยู่ในวงกลมสามเหลี่ยมพระรัตนตรัยระพุทธประธรรมระสงค์ประพุท ธ, ท, ธท่านรู้อะไรรู้อนิจจังรู้ทุกขังรู้อนัตตารู้สมิาตานี่เพราะท่านปฏิบัติเดินทางอริยามรรคม่องค์8ปแต่ท่านก็เห็นอริยสัจว่าเห็นอริยสัจ เ, เ, เขาเห็นปฏิจจสมุปบาทก็อันเดียวกันนะ่อริยสัจสี่ทุก แต่ได้เกิดทุกความดับทุกขหนทางให้ถึงความดับทุกทีนี้ปฏิจจสมปุปบาทนั่นคือเรียกว่าอริยสัจสี่โดยพิสดารชวน อ, อริยสัจสสี่เหลี่ยมนี้ทุกสมุทัยนิโรธอริยมครคนี่เป็น อ, อริยสัจโดยย่อโดยพิสดารก็คือปฏิจจรมุ ป, ปบาทต้องพูดกันนอนต้องพูดกันละเอียดนีไไ่เพราะฉะนั้น ประพุทธประธรรมประสงค์ี่เหีรยมเข้าไปอยู่ในวงกลมแล้วประพุทธตั้นรู้อะไรรู้อนิจจังทุกขกอังขอาตาลู้สุญญาตาว่างว่างที่ไหนที่ใ ต, ต้ต้นโพนู้นพระองค์มีจิตว่างที่ใ ต, ต้ต้นโพเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้พระธรรมประธรรมคือความว่างธรรมชาติความว่างความสงบนะมีอยู่แล้ว โลกนี้จะเกิดหรือ ว, ว่าไม่เกิดโลกนี้จะมีหรือไม่มีดวงจันทร์ดวงอัญมาีดาวอะไรต่างๆแต่มีหรือไม่มีก็ตามใจแต่ว่านั่นคือธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนทางนั้นธรรมชาติที่มันเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างพระพุทธเจ้าจัตตารุอริยสัจก็คือรู้ธรรมชาติที่เกิดกับดับไม่ได้มีอะไรมากเกิดกับดับแต่ก็ว่างจากตัวตน ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่มไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเด็ดขาดเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราเห็นทุกอย่างเกิดดับทางตาก็เกิดดับทางหูก็เกิดดับทา ง, ทา ง, ทางจมูกก็เกิดดับทางลิ้นทางกายทางใจนี่แต่เกิดดับเกิดดับเพราะมันว่างจากตัวตนทางนั้นดันั้นพระพุทธเจ้าเรี่ยมของพระพุทธเจ้าก็คือว่าพระธรมรมธรรมชาติ ท, ที่ว่างจากตัวตนที่มีอยู่แล้ว โลกนี้จะเกิดหรือไม่เกิดความว่างนั้นมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนั่นคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบทีนี้พระอริยสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาจุดใต้เป็นพระอรหันต์ท่านว่างโดยเด็ดขาดสามเหลี่ยมนี้ก็ว่างจากสามเหลี่ยมจากสามเหลี่ยม โยม <PTSD> ก็ออกมาแก้ใสีใหม่ทีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดัดให้มันกลมเสียสามเหลี่ยมก็ดัดให้มันกลมเสียไปไปมามาไปอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมว่างว่างจากัวตนสุนญตาจันนั้นสุนญตาสุนญานติสุนญาตินี่วงกลมนะว่างวงว่างวงว่างนั้นเต็มด้วยสติปัญญาไอ้นี่เราก็ดัดสี่เหลี่ยมให้มันกลมดัดสามเหลี่ยมให้มันกลมไปไปมาๆก็เป็นวงกลม นในวงกลมนั้นเต็มด้วยสติปัญญาเราสร้างบ้านเราสร้างอาคารหลังนี้นะถ้าเราสร้างให้มันทึบก็ไม่ต้องมานั่งก็ดีถ้าอย่างนี้มันทึบนี่เราต้องสร้างมันว่างเห็นไหมเรามีถ้วยมีชามมีไอ้มีตุ่มมีโอง่งมีอ่างอะไรก็ต้องสร้างมันว่างดังนั้นแหละนี่ถ้าไงว่างไม่งั้นใช้ประโยชน์ไม่ได้นี่ มันว่างดังนั้นทุกอย่างมันว่างว่างว่างว่างทีนี้ถ้าจิตเราไม่ว่างมันก็มีแต่ยึดมั่นถือมันยึดมั่นถือมันยึดมั่นถือมันนี่เป็นอานอ่าไม่ต้องทําอะไรกันโน่นไปหาหมอโรงพยาบาลประสาททีนี้มันไม่ไหวแล้วนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้ไม่ได้เราก็ตายดอเห็นไว้นั่นน่ยคือคนที่จิตไม่ว่างมันเป็นอย่างนั้น หรือพระสังฆนายกมีตั้งแต่องค์ที่หนึ่งเยไปหมดที่องค์ที่หพระสังฆนายกองค์ที่สองกำลังจัดระเบียบจิตการจัดระเบียบจิตในที่นี้หมายถึงกระบวนการควบคุมการหายใจเพื่อที่จะผ่อนคลายร่างกายแค่ทำให้จิตสงบ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อสุขภาพและเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดระเบียบของจิตประวัติของพระสังกนายกองค์ที่สองนี่ก็เป็นประวัติเหมือนกัน เล่าย่อๆโ ย, ย, ยงฝังเมื่อพระทังกายนายกคือพระโพธิธรรมออกจากประเทศอินเดียแล้วเดินไปทางทิเบตเดินไปประเทศจีนพอเดินไปประเทศจีนไปถึงวัดวัดหนึ่งเมื่อก่อนเขาจะนับถื อ, อโน่นแหละแบบพระพ ร, ระจีนนั่นแหละพระจีนหลวงพ่อคิดไม่ได้ตอนนี้ทีนี้พระรูปนั้นก่อน ไปที่วัดนั้นพระกําลังนั่งบรรยายธรรมอยู่พอดีก็มีอุบาตกอุบาติกามีสามมนเนนท่านก็ไปนั่งข้างหลังเองพระรูปนั้นก็พูดผิดมั่งถูกมั่งเพราะว่าข้าใจธรรมะไม่ลึกซึ้งท่านหลงในฌานได้สมาธิแล้วก็หลงฌานหลงฌานมันก็เล่นที่หลงฌานก็เล่น เดิน็นน้ําได้อ่อ า, อากดแง่าอดเสกอะไรขึ้นมาหน่อยก็ไอ้โยงก็เห็นแบบเล่นกลอย่างนั้นนะแบบเล่นกลอัอนี้ท่านรราพระโพธิธรรมพระจักรนายก อ, องค์ที่ไหนท่านไปนั่งข้างหลังสุดที่ทนี้พระรูปนี้พอพูดผิดพอพูดผิดท่านก็สัญญ่นศีรษะพอพูดถูกท่านก็ไปยักหน้าให้ท่านนั่งบนธรรมะนี ท่านก็เห็นว่ารูปนี้มาจากไหนเดี๋ยวก่อนนะให้เทศจบก่อนนะีก็ลงไปถอดเขี่ยวพระรูปนี้นี่คิดอย่างนั้นทีนี้พอดีในตอนนั้นสามเณรก็น้ำชามาเสิร์ฟเอาเสิร์ฟท่านท่านก็เลยดื่มน้ำชาเสร็จถอดเขี่ยวใส่ไว้ในแก้วท่านปล่อยแล้วทีนี้พระองค์นี้แหละเป็นยังไงพอท่านลงจากธรรมมา ก, ก่อน ธรรมมาตก็เถาะถามสามเณรว่าหลาพระรูปนั้นที่มานั่งอยู่ข้างหลังนี่ไปไหนแล้วสามเณรก็บอกว่าไปแล้วครับผมท่านก็ตามไปเลยทีนี้ตามไปพอตามไปไปถึงอยู่ที่ท่าน้ําข้างอยู่ริมแม่น้ําท่านจะข้ามไปขวางนูน้นแต่ท่านก็รอให้เรือมาท่านท่านก็บอกอ๋ท่านเนี่ยผมเดี่ยวตามหาอยู่ คือเพียงแต่คิดแค่นั้นเองรู้แล้วนี่ฌานแล้วฌานแล้วรู้จิตของคนอื่นนี่รู้จิตของคนอื่นเรื่องของฌานอา้าวยมดอกบัวกู่หลวงพ่อจะสร้างเครื่องวินเอาเงินจากยี่สิล้านก่อนแป๊บเดียวควักหายเลยเงิน20ล้านนี่เห็นไหมฌานทังนั้นสามารถที่จะคมจิตของผู้อื่นได้ฌานนี่แต่ถ้าไปเนืองไปยุ่งเรื่องผู้หญิง ท้องไปยึงเรื่องทรัพย์สมบัติเสื่อมเลยฌานนั้นฌานที่ห่อได้ก็มีอะไรมีเดินบนน้ําได้ไมีเยอะแยะเลยฌานมันเล่นกลนั่นแหละแต่ถ้าทําอย่างนั้นเสื่อมทันทีเลยเพราะไม่รู้จักย ก, กจิตขึ้นรุ่ยปัจฉนานี่ว่าไม่ย ก, กจิตขึ้นรุ่ยปัจฉนาเลยฌานมันก็เสื่อมหรือศีสมัยก่อนสมัยก่อนนู่นก็ได้ฌานห่อได้ในประเทศศรีลังกานะ เขาบอกว่าตอนที่พระมหินท่าเทร ะ, ะท่านไปเผยแผ่ไปไปพุทธศาสนาพระมหินทเทระมัเป็นลูกชายของอพระเจ้าอาโศกมหาราชท่านไปอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้เป็นยังไงก็มีพระเยอะแยะเต็มไปหมดพระที่ภูเขานั้นตั้งห0 0รอรูป ของพ่อก็ไปสังเกตการไปดูดูนี่ภูเขาที่ข้างๆนั้นก็เรียกว่าเรียบแล้วก็ดูว่าโอ้พระจะต้องเดินจงกรมที่ภูเขานี้แน่เลยแต่ภูเขาที่พระหมัยอินทายอยู่สูงใครก็ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ทีนี้เป็นอย่างไงในสมัยนั้นท่านเมื่อพระเจ้าโจงอาราชทรงมาทรงมาก็มีเพื่อนเกลือ่อนก็เป็น พระเจ้าแผ่นดินเช่นเดียวกันท่านก็โอ้ยไปยุ่งในเรื่องอะไรยุ่งในเรื่องล่าสัตว์ล่าสัตว์ล่าสัตว์ชอบล่าสัตว์ชอบกินเนื้อสัตว์ชอบอะไรทีนี้ก็ไปไปถึงก็เจอทา่านพอเจอท่าน้อแล้วมาเถอะเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินนั่นขึ้นไปไม่ได้ท่านมีฤทธิ์นี่ท่านก็เลยบอกว่านี่มาจากนั้นจากนั้นจากนั้นโอ้เป็นเพื่อนเกลือกันท่านก็เลย คุยธรรมะไอ้ฝังพอคุยธรรมะให้ของคนเลิกเลยทีเลิกลพระไปอยู่ตั้งห้ารอรูปที่นั้นแล้วมีหลักฐานเพราะว่าตอนเช้านี่เขาจะเอาใครก็ได้ที่ไหนวังก็ได้ทำข้าวต้มเสร็จแล้วเอาไปใส่ในเรือลําเรือลําเรือนั่นทําอะไรทํากับหินเพรควักหินทั้งก้นยาวประมาณสักสิบเมตรเนี่ยเอาข้าวต้มไปใส่ใส่ใส่่ใส่ในนั้นพระก็ยืนแถวกัน เขาก็ตักข้าวต้มใส่บาตรตักข้าวต้มใส่บาตรตักข้าวต้มใส่บาตรเรือยอีกรลำหนึง่งอา้าวเล็กอันนั้นสําหรับใส่แกงนี่เีนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าโอ้ในสมัยนั้นพระอรหันมากเหลือเกินตากข้าวนี่รอข้าวเนี่ยพกเก็บเกี่ยวมาแล้วรวดแล้วต้องตากก่อนตากข้าวนี้ไม่แห้งเลยเพราะพระอรหันที่ได้ฤทธิ์นั่นแหละเหากันไปเหากันมาเหากันมาเหากันไป ไม่โยงก็จะตากข้าวหน่อยไม่ไม่ต้องตากกันก็เอาไม่แห้งนี่เห็นไหมพระรัตนเต็มหมดในสมัยนั้นสมัยนี้ใหม่ ย, ยิ่งกว่ายาหยอดตาอายยากหายยากจริงๆสมัยนี้เพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติไม่จริงเมื่อเราปฏิบัติไม่จริงพระรัตนก็ยิ่งอยู่ไกลอยู่ไกลเราเนี่ถ้าเราปฏิบัติจริงจนรู้อริยสัจที่รู้ขนันห้ารู้ปฏิจจสมุปบาท เนีเราก็รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วเราต้องรู้จักมันอย่าหนีมันเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละเหตุให้เกิดทุกเราละได้แล้วละอร่อยมีเงินมีทองจนกินไม่หมดออกมาไว้บนหัวอีกนี่เป็นธาตุมันเนี่ยมันเป็นธาตุมันออกมาทูลไว้แล้วก็นอนไม่หลับ มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติก็วายใต้ฝ่าเท้าของเราเราจะต้องใช้ใมันเป็นทาตของเรานี่เราเป็นทาตมันเราไปเป็นทาตมันนั่ น, นยคือเหตุให้เกิดทุกข์กับพระยึดมัน่นถือมันความดับทุกข์ก็คือนิโรธนิโรธจะได้มาฟรีๆนะมันไม่ได้ต้องลงทุนลงแรงในการปฏิบัติตามอริยมรคมนองค์แปดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้ได้แล้วเอได้เกิดทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอได้เกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละเอได้เกิดทุกเราละได้แล้วความดับทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งความดับทุกเราทำให้แจ้งได้แล้วอริยมรรคเมองแปดเป็นอย่างนี้อย่างนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต ธรรมาชีโวะธรมาวายาโม و, ธรรมาจติสรมะธรมา ธ, ธ, มาธิเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้เกิดนี้อนะริยมรรคมีองค์8ดเราปฏิบัติให้เกิดมีได้แล้วนี่แหละโยมทั้งหลายเอาโยมไปเอาไปคิดใ้ดีๆแล้วก็ไปตบทวนที่อาจารย์ประเสริฐสอนเอาไปตบทวนตบทวนตบทว น, ทวนข้อที่หนึ่งเป็นยังไงข้อที่สองเป็นยังไงจนถึงข้อที่8 แล้วก็ก่อนที่จะนอนทุกๆคืนแหละต้องมีหนังสือทำวัดเช้าทำวัดเย็นแบบฝันโม่ต้องสวดอริยมรทุกวันทุกวันทุกวันค่อยๆซึมก็ไปซึมก็ไปซึมก็ไปสวดอริยมรไม่องค์แปดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นสวดธรรมจักกับพระวัฒนาสูตรอยู่ข้างหลังะ เนี่มันก็อันเดียวกันเลยแล้วเราค่อยๆซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปนี่มันต้องอย่างนั้นมันจึงจะได้ทีนี้พระรูปนี้พระสังกานายกองค์ที่สอง น, นท่านเป็นพระอาจานเพราะอะไรเพราะว่าท่านไปตามพระสังกนายกองค์ที่ห่งตอนแรกตามไปก็ปตามไปไปเจอพระสังกายนายกองค์ที่หนึ่งอ๋อท่านอยู่ตรงนี้เองนะท่านจะไปไหน เราจะกั้งไปฝั่งโน้นโอ้ไม่ยากไม่ยากท่านท่านมีหมวกฟางอยู่ท่านก็เสกที่เสกหมวกฟางให้เป็นเรือแต่แล้ออนีมนีน่ม น, นมนอโอเธอไปเถอะเราไม่ไปลอยหรอกคุณไปเถอะนี่เล่นกลแล้วเห็นไหมฉะนั้นการได้ชานนี่เล่นกลไป เอาสติไอ้นั่นแหละพลังจิต่ไปข่มคนอื่นแต่จะไปข่มพระอรหันต์น่ะข่มไม่ได้นี่ถ้าขม่มผูถตุโจนั่นได้อเออเราแยกทางกันเถอะก็เลยแยกทางกันแยกท่านก็ปล่อยเราโพธิธรรมท่านก็ไปเรื่อยทีนี้พระรูปนี้พระรูปนี้แหละท่านก็คิดขึ้นมาเออเรามันติดจานหรือว่าใจแล้วกูไม่ยอมเลยเว้ยเออเลยจะตามหา ก็ตามหายอยู่สิปีเนี่ยสิปีสปีจนจนเจอก็ดูหนาวมีมั้งกำลังตกหนักตอนนั้นชื่อไปชื่อมาท่านอยู่ในถ้ำรูปนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะออกแหละท่านอยู่ในถ้ำเอ็นนี้ท่านอยู่ในถ้ำก็ปล่อยปาอุบาตอุบาศิกาไปด้วยไปถึงพระโพธิธรรมท่านก็หันหน้าก้าําท่านก็อยู่สงบท่นบานก็นั่งสบายเรียกว่านั่ง อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งนิ่งจิตยอยู่นิ่งนิ่ง่งไม่ออะไรไม่เป็นอะไรอยู่นิ่งนิ่งแนี้ก็ข้าไปอ่ากท่านก็ไม่อ่านหน้ามองหอกใครกระผมเองกระผมเองที่ท่านมาจากประเทศจีนไปที่วัดกระผมนี้เธอมาทำมอยกร ะ, ะผมต้องการที่จะให้ท่านทําจิตของกระผมะให้มันสงบทีนี่ งั้นกับเราเนี่ยถ้าจิตไม่สงบเนี่ยมันวุ่นวายแล้วนต้องการให้ท่านทําจิตของผมไม่สงบทีเอา้าคุณมีความจริงแค่ไหนมีสัจจะคุณมีสัจจะแค่ไหนที่จะให้มาทําอย่างนั้นแกก็มองหน้ามองหลังมองสัจจะมจะจริงแค่ไหนสัจจะคือความจริงท่านก็มีมีดมีดาบมีดาบด้วยความชอบกติแขนตัวเองเนี่ยก่อน เอาแขนนี่แหละเท่าออ้ท่านอออครับผมเนี่ยเ ม, มีความจริงขนาดนี้ท่านก็ดูโอ้ยมีเลือดไหลออกมาเอออันนี้มันจริงอ้เมส์กเอถ้าอย่างนั้นคุณเอาจิตออกมาที่นี่ยอมทุกคนเราก็คิดว่ามีจิตกันทางนั้นแต่อยากคิดว่ามันจริงจิตมันก็ไม่ใช่ของจริงเอาอย่างนั้นคุณเอาจิตออกมาที่จิตมันไม่มีครับเอาอย่างนั้นทำแล้ว รู้ทำขึ้นมาทันทีเลยเป็นพระหลานทันทีเลยเห็นไหมทําแล้วนี่จบเห็นไหมนี่แหละจิตะมันไม่มีตัวตนแต่เรายึดเถี่วมันมีตัวตนตัวตนตัวตนตัวตนจิตือว่ามันมีตัวตนมันแปลร่างกายมามีตัวตนแปลเท่นผมมามีตัวตนแปลเนื้อหนังมามีตัวตนนี่ มันไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนไอ้อย่างอื่น่ไอ้ที่ท่านพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าการที่เข้าไปยึดถือว่าจิตมีตัวตนน่ข้าพยึดถือร่างกายยังดีกว่าเพราะร่างกายมันยังจับต้องได้มันเปลืองเนื้อที่แต่จิตนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนี่ เพราะมันไม่มีตัวตนนั่นแหละมันเลยไปจับจองมาเช่นผมของกูขนของกูเล็บของกูฟันของกูเนื้อหนังของกูกูเป็นหนุ่มเป็นสาวนึ่เห็นไหมนี่แหละมันโง่เพราะมันโง่นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็เป็นพระสังกานายกองค์ที่สองในโอกาสต่อไป นายกองที่หกเจ้าว่าเว้ยหลางกาลังตัดไม้ไผ่ในภูเขาซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนของเซนดั่งมีคํากล่าวว่าวันที่ปราศจากการใช้แรงงานเจอวันที่ปราศจากอาหารขยันมากพระสังฆนายกองที่หกท่านขยันมาก ไม่มีอะไรแล้วก็ได้ยา่าตัดไม้ไผ่ไปทำฟืนไปอะไรต่ออะไรทีนี้ที่ท่านจาเร็จมานั่นที่ท่านจาเร็จมายังไม่ถึงจุดที่จะเป็นพระอรหันต์เพียงชั้นที่ล่างลงมาล่างล่างลงมาอาจจะเป็นพระนาคามีก็ได้อะไรก็ได้ เดี Rolle, sky, anut, át, ๋ยวก็ค่อยๆกระเยอบขึ้นกระเยอบขึ้นกระเยอบขึ้นค่อยๆกระเยอบขึ้นทีนี้ท่านก็วันนั้นไปตัดไม้ไผ่ท่านก็รู้ท่านรู้อานิจจังไม่เที่ยงทุกขังยึดมั่นถือมันไม่ได้อานัตตาไม่ใช่ตัวตนตอนนี้อารมณ์ของท่านอยู่กับความว่างแล้วสิ่งตั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนสิ่งตั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตน ด้านก็ภาวนาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะฉันอาหารก็ว่างว่างว่างว่างวงวงวงว่าวางนว่างว่าเอาไว้แต่ว่างตัวเดียวว่างตัวเดียวไม่ต้องออกมาวันนั้นไปตัดไม้ไผ่ก้างน้อยก็ว่างว่างว่างว่างว่างวงตัดไม้ไผ่โปรพอโปรึ้นว่าเอามันว่างนี่ก้างน้อยมันกลวงเห็นไหมข้างน้ยมันกลวงมันว่าง ในลําไม่ปล่อยท่านก็ตาแจ้งขึ้นมาทันทีเลยนี่เห็นไหมนี่มันถกหมาะพอดีเลยท่านก็เลยเป็นพระอาหารหันตาวร่อนดิอาทีนี้เป็นยังไงเมื่อท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ไม่ได้หยุดนิ่งด้ย่ามัง่งอะไรมัง่งอยู่อย่างนั้นแหละกวาดขยะบ้างทีนี้ลูกศิษย์ก็โอ้ ของพ่อไม่ต้องทำงานแล้วแหละแก่แล้วของพ่ อ, อก็ว่าอ๋อกล้ายังกินอาหารอยู่นี่ยังมีเรี้ยวมีแรงอยู่นี่ไม่ได้ลูกเศรษฐกงไม่ได้แล้วของพ่อนี่บอกไม่เชื่อเลยบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อเลยไปขมโมยไปขมโมยพวกเสียมพวกเครื่องมือเก็บเก็บไปซ่อนออ พระสังกานายกองค์ที่หกก็เลยอม่เราทํางานนอนดีกว่าท่านก็เลยไปนอนไปนอนเนนอนกุมโปงว่างว่างว่างว่างว่างวางยวกับความว่างเป็นอารมณ์ลูกที่หลวงพ่อไปฉันอาหารท่านก็ว่าอ๋อไม่ทํางานแล้ไปฉันทําไมมันเปลืองแรงงานมันเปลืองอาหารเปล่าเปล่านี่เห็นไหม เพราะฉะนั้นของเซนเนี่ยว่าต้องทำงานของไม่เซนก็เหมือนกันก็ต้องทำงานหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนที่ปฏิบัติยังน้อยๆ อ, อ, อยู่ก็ถือเซนมากเพราะว่าเอ้าเดี๋ยวสร้างกุตีเกี๋ยวสร้างทางขึ้นสร้างนั้นสร้างนี้เซนตั้งแต่ก่อนข้าพันษาเซนแล้วหลวงพ่อถือถือเซนแล้วเซนเพราะไม่มีเงินสร้างเซนเอ้อยก่อน ท อ, อดกระติ้นเสร็จก็เอาไปให้เขาหมดนี่เมื่อก่อนก็ถือดเซนงานเซนเพราะไม่มีเงินแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่เซนแล้วไม่มีก็อย่าไปทำมันไม่งั้นมัเดือดร้อนอะไรมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจากนั้นเซนนี้แปลว่าเพ่งเพ่งเพ่งแปลว่าเพ่งพอเพ่งแล้วมันทําให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วพอเราเพ่งแล้วมีพระรูปหนึ่งพระรูปหนึ่ง โง่บรมังโง่เลยนะพี่ชายก็ให้น้องชายบวชบวชแล้วให้ปฏิบัติตำปฏิบัติทำไม้ท่องคาถาสองสามตัวนี่สามเดือนแล้วยังท่องไม่ไม่จําเลยโอ้ยไปไปไปไป ไ, ป ไ, ป ไ, ปไปึกเดียวไปน้องชายก็ร้องไห้ทีนี้ทํำยังไงร้องไห้รองแลเอา้เอานี่เอาผ้าขาวนี้ไปดูเลยนะแล้วก็ไปภาวนาก็ไป ไปภวนาภาวนาภาวนาภาวน า, า, วนาไปภาวนาวันนั้นอันนี้มรรคไปหมดที่เชตวันห้าร้อยรูปมพระไปจัดอาหารกลางนอกทีนี้พระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าพระพุทธเจ้าพระองค์รู้แล้วเพราะพระองค์มีญานนี่เขามีญานรู้แล้วอ๋ยังมีพระนี่ในวะิหารยังมีพระอยู่รูปหนึ่งไปไปนิมนต์มา บาตรโตก็ไป น, นิมนต์ออกไปถึงไม่ใช่องค์เดียวพระเจ้าข้ามีเต็มวิหารเลยไม่ทราบว่าองค์ไหนอ่อเจนี้อ่อเธอกลับไปอีกไปเรียกชื่อไปเรียกชื่อก็พอเรียกชื่อก็ทั้งหมดเลยขานหมดทั้งในวิหารนั้นแหละตามยังไงอ่อเธอไปอีกไปถึงก็เรียกชื่อแล้วก็จับมือสักองค์หนึ่ง พอเป็นนันพอไปถึงจับมือก็ อ, นองนั้นแหละคือได้ฤทธิ์เนี่ยท่านได้ทั้งเป็นพระอรันแล้วได้ทั้งฤทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่งโง่ที่สุดก็ปฏิบัติได้ธรรมะนั่นได้ทางนั้นมีโยมคนหนึ่งชื่อชื่อทองโยมทองนั่นตายหลายปีแล้วมาปฏิบัติกับหลวงพอ่อโอ้ยอยู่กับความว่างความว่างความว่างความว่างหนังสือก็อ่านไม่แต่โยมก็ขาย ของจุกจิกจุกจิกเครื่องของกินของใช้อะไรพวกนี้โอ้ยไม่ไม่เดือดร้อนเลยตัานอยู่กับความว่างความว่างความว่างอยู่กับอารมณ์ที่ว่างจากตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งนั้นฉะนั้นเราอย่าไปเป็นนักปราดเลยปฏิบัติไม่ต้องไปเป็นนักปราดหรอกไอ้มันหมดความทุกข์ก็เดือดร้อใช้ได้แล้ว รู้จักกันดีลูกครับให้ลูกที่หนะ้าะมันขาวๆแล้วแสงมันไม่ชัดลูกพรับหรูปหกรูปเป็นภาพหน้าปกหนังสือแหมก็คนจีนเ็าคือหนังสือของจีนของเซนนี่เขาจะไว้เป็นภาพหน้าปกเลยพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็จะศึกษาทางนั้นแหละศึกษาทางนั้น หลวงพ่อเองนี่พอมีโอกาสขึ้นมาตอนนี้ประเทศจีนไปสามครั้งแล้วไปศึกษาไปดูว่าเซนเป็นยังไงยังไงยังไงในประเทศจีนหนังสือนี้ก็ได้มาจากจีนนี่แหละที่เอามาจายนี่มีโยมก็คนหนึ่งเขาเอามาถวายแล้วก็เราเอามาให้โยมก็แปลาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยลองพกตามไปที่ญี่ปุ่นอีกไปญี่ปุ่นก็ไปศึกษาศึกษาศึกษาศึกษ า, กษาเรื่องเซนนี่แหละ ศึกษาหร้อก็ต้องปฏิบัติด้วยอทีนี้นก็ไม่พออีกไปนน่นไปทิเบตไปทิเบตติดใจพระมิลาเลปาพระมิลาเลปะเนี่ความเสียงแห่งความสงบนี่เอามือป้องอย่างนี้ป้องที่หูเนี่ยความเสียงแห่งความสงบยีงหลงเขาก็ไปไปไปเพราะรูปนี้รูปเดียวอ่ระารูปนี้รูปเดียวไปกันทั้งคุณประเจิดทั้งโยมยินดีแม่ของคุณประเจิฐเนี่ยเราก็ไปกันยี่สิบกว่าคนไปทิเบตกัน เอาไปที่บหลวงก็ไปหาหลวงพ่ก็พยายามที่จะมองมองมองอปฏิจจาระมบปบาทบ้างแล้วก็มองรูปภาพมองอะไระอะไรมองหาแต่นี่ที่ป้องหูอย่างเนี้ยมองมองมองาไปอีกวัดหนึ่งก็มีพิพิธภัณฑ์ต้องข้ามแม่น้ําไปแล้วก็ขึ้นรถอีกไปเอกอะไรอีกไปอย่างนั้นต่อไปเห็นมีก็ปนหอยห้ารูป แต่รูปนั้นหลวงพ่อก็อ่านงูงูปลาปลาเนอะมิลาเลปภาษาอังกฤษเขาก็เขียนไว้ผมก็รู้เลยว่าโอ้นี่เป็นความจริงเป็นความจริงอารูนั้นก็ได้ฤทธิ์แล้วก็เป็นพระอรหันด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเจี่ตามหาอยูอ่หลวงพ่อเที่ตามหาเที่ตามรอยหายในประเทศจีนก็จะมีสุญญตาที่อามาจะไม่ควรอิ่มที่ด่านดูจิกกอก อยู่ที่ก่อแห่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ก่อ น, นั้นถึงกันหมดแล้ว่พระก็จะมีสะพานมีรถวิ่งเอศึกษาไปไอ้นี่ลูกครับลูกพระบหกลูปอยู่ที่ปกหนังสือเนี่หลวงพ่อทำอะไรบ้างส่วนมากก็มีคนออกมาถวายนี่มันเป็นภาษาอังกฤษไอ้นี้ลู ก, รลกพระบหกลูปเอาลูกขออายตนะภายน้อยเนี่โยงเดี๋ยลูกพระบหกลูปนี่ ทีนี้เป็นยังไงเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชแค่ก็เดินไปตามหน้ากุติหลวงพ่อก็ใหญ่ทีนี้ของพ่อเองก็มีหน้าที่ในการที่จะคุมคนงานสร้างโรงหมอบาจต่างวิญญาณพอเดินผ่านไปตอนเช้าวันนั้นท่านของวานเอียยเอ้ยนนเอี้ยนนี่เธอมาดูนี้ที่หลวงพ่อก็ไปนี่เธอดูทิ่ลูกปรับนี่ ลูกพระหกลูกนี้มันตั้งอยู่ในที่ว่างๆท่านว่ามันตั้งอยู่ในที่ว่างๆไม่มีถาดไม่มีที่รองอะไรมันตั้งอยู่ในที่ว่างๆทีนี้ที่ว่างๆอะไรลูกพระหกรูกก็คือตาลูกหนึ่งหูลูกหนึ่งจมูกลูกหนึ่งลิ้นลูกหนึ่งกายลูกหนึ่งใจลูกหนึ่งนี่ทีนี้เราตา ก็มีอุปาทานยึดมั่นถือมัน่นตาของกูหูก็ของกูจมูกก็ของกูลิ้นก็ของกูกายก็ของกูใจก็ของกูของกูหมดมันเลยมีที่ตั้งที่อาศัยเลยนั่นคืออุปาทานที่ตั้งที่อาศัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ถ้าเราปฏิบัติเราเป็นโ อ, โอ้ตาเกิดตาดับตาว่างมันเกิดมันดับแล้วมันว่างเช่นว่าตาเราอย่างเนี้ยตาเราดูรูป ตาก็ว่างตา ก, กัตนตาเองมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับรูปที่เราเห็นนี่แหละมันมาเป็นมันมาเป็นกระแสเหมือนควันเรื่อยอย่างนั้ น, นหลวงพ่อเห็นอย่างนั้นนะมันมาเหมือนกับควันเรื่ออย่างนั้นะแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นกระแสกระแสที่นี่เลยประสาทตามก็รับรู้รับรู้ที่เห็นนั่นแหละคือมันรับรู้รับรู้แนละ้วมันก็รายงานแล้วก็มันก็เอาไปเก็บ เอาไปเก็บไว้ในสมองนี่ตาเกิดตาดับตาว่างทีนี้เอาไปไว้ในสมองแล้วเราหลับตามก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละหลับตาก็ยังเห็นนะเพราะเรายึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเราเห็นว่าเอ้ยไม่เห็นมันมีนมอะไรไอ้ลูกพรับนี่ก็ ก, ะกระดาษไอ้กระดาษที่เขาเขียนใส่กระดาษแอ้ก็เลยอเอาผู้กันเอาสีมาเขียนให้เป็นลูกครับไอ้ลูกพรับเบนี่นเยเขาไม่จริงไอ้ลูกพรับที่เรากินได้เนี่ยก็ไม่จริงไอ้คนกินก็นไม่จริง แต่จริงนะกินแล้วไม่ต้องขี้ออกไปนี่มันไม่จริงดังนั้นลุ่แตมน ม, มันไม่มีอะไรจริงอังนี้ไม่มีอะไรจริงเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่นเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นถือมัน่นตาหูจมูกลิ้นกายใจน่ะเขาเรียกว่าอยายตนะภายในอันนี้อยายตนะภายนอกที่มันคู่กันรูปพู่กับตา เสียงคู่กับหูนี่เสียงที่เราฟังที่ฟังหลวงพ่อเรีวเพลงสาวนี่เสียงเสียงมันก็มาทางลําโพงนี่เราก็มีลําโพงเหมือนกันทุกคนมีลําโพงสองตัวมีหูอยู่ตอนนี้นี่ลำโพงนี้มก็ฟังฟังเสียงเออเสียงนี้เพราะเสียงนี้ก็เกิดดับว่างจากตัวตนนี่เราไปเก็บไว้ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนทางนั้นนี่เรามายึดมั่นถือมั่น เราปล่อยวางทีนี้เพื่อนด่าเราตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นมันยังเอามายึดมั่นเถอนมันพอเห็นหน้าคนนั้นนี่แหละที่มันด่ากูกูไม่อยากดูหน้ามันอะไรอย่างเนี้ยมันเก็บเอาไว้มันไม่รู้จักปล่อยวางอย่างนี้ต้องปล่อยวางวเออเ ข, เขาโกโหกหเราฟังเลยเราไปเชื่ อ, อเขาทำไมอ่ะเขาด่าแม่เรามันจริงไหมไม่จริงนี่จีก็ฉ่างหัวมัน เป็นหลายรอบอยากกลับไยึดมั่นถือบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องมีความทุกข์เห็นไหมนี่เพราะความยึดมั่นถือมาดังนั้นนั่นแหละคือมันมีที่ตั้งมันมีที่อาศัยตาเกิดตาดับตาว่างหูเกิดหูดับหูว่างเพราเรารู้จกักลอยวางหูเกิดหูดับหูว่างเสียงเกิดเสียงดับเสียงว่างโสตาวิญญาณ จอตาวิญญาณเขาจะกว่าความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางหูเกิดความรู้สึกทางหูดับความรู้สึกความรู้สึกทางหูว่างเออนี่มันว่างดังนั้นตาหูจมูกจมูกอีกจมูกก็ได้กลิน่นจมูกแล้วก็กลิน่นคู่กับกลิน่นจมูกเกิดจมูกลับจมูกว่างมันก็มีประสาทจมูกก็มีประสาท จมจูกเกิดจมูก wow. ดับจมูกว่ากล Never. okay. yeah. ouais. ิ่นเกิดกลิ่น um ดับเล็นว่าโสตาวิญญาณความรู้สึกทางจมูกเกิดความรู้สึกทางจมูกดับความรู้สึกทางจมูกว่างปัจจัการกระทบเนี่ยมันมีการกระทบกัามาด้วยการกระทบเกิดการกระทบดับการกระทบว่างเวทนาเกิดเวทนาเนี่ยก้าวไปพอใจไม่พอใจอ่ะ เวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่างออพอถึงเวทนาว่างถึงเวทนาว่างว่างหมดไม่ต้องมีแต่สติปัญญาในสมองทีนี้มันไม่มีไอ้พวกโง่โง่นี้ครับ เ, เ, เอาไปยึดถืออีกแล้วเวทนาดับเวทนาว่างตัณหามันก็เกิดไม่ได้ทีนี้ตัณหาเกิดไม่ได้ปัญหาตัณหามันตายที่ตรงนั้นนี่อะไรเราอะ ตานามโอ้เราให้อาหารมันทุกวันทุกวันทุกวันอ๋อนี่ไปเห็นรองเท้าสวยทุกคืนมันอยากจะมีะจำเอาไว้ก่อนจําเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจัดสมเงินจัดสมเงินเน้่ยมันได้พอไปถามราคาก็ตาวนั้นตาวนี้เทตานู้นจัดสมเงินด้วยอํานาจของความอยากยบางทีมันไม่ทันก็ต้องไปขอยืมเพื่อนก่อนอะไรก่อนอันนี้ที่มากไปกว่านั้นโอ้ มีที่ดินอยู่ในตัวเมืองทํำยังไงถ้าขายที่ดินก็ได้แต่ว่ามุงอยากให้มากกว่านั้นทํำยังไงสร้างบ้านดีกว่าสร้างบ้านสร้างบ้านเนี่ยขายทั้งบ้านทั้งดินทํำยังไงเอาดินไปโตนที่ธ น, น, นาคารก็เตือนธนาคารเอามาสร้างบ้านไปไปม า, มาบ้านหลังนี้ขายเห็นบอกขายอยู่สามปีเลยยังไม่ได้เลยเป็นยังไงธนาคารก็ยดึดอะไรอย่างนั้นพระคุณ ดอกมันออกทุกวันทุกวันนี่ความโลภความโลภเห็นไหมความโลภนี่อุปาทานาด้วยตัณหาเรียกว่าตัณหาก็ตัณหาความอยากอุปาทานยึดมันมนดม่นถือมัน่นยึดมั่นถือมั่นมันมันไม่หยุดแค่นั้นแหละมันก็มีพบขึ้นมาอีกมันเอาไปหมุนหมุนหม น, หมนโอ้ยตายแล้วมร่อไยจะเพีงจะขายได้ไปไปมาม า, มาทั้งลิงทั้งโซ่หายหมดเห็นไหม นี่ด้วยอํานาจของตันหาแค่นี้พอคิดไปมาทุกทีก็เป็นทุกทุกทีคิดทุกท ก, ก็เป็นทุกทุกทีนี่เพราะอํานาจแห่งความอยากเอ้ถ้ า, ากว่าเราตัดเสียที่ตัวจึดมั่นถือมันคือตัวยิตมันถือมันตัวตวารู้จักปุญ ญ, ญาประจาตัวเวทนานะตัดตัวเวทนาสุขเวทนาเกิดดับ ว่างจากปวดตนทุกเวทนาเกิดดับว่างจากปวดตนความโง่เกิดดับว่างจากปวดตนเลิกหยุดที่เวทนาตัวนั้นเพราหยุดที่เวทนาตัวนั้นว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างวางเอาไว้ว่างเวพอว่างเอาไว้เป็นยังไงนะว่างนี่ดีที่สุดโยมถ้าเราเจ็บไายได้ป่วยไปโรงพยาบาลหมอผ่าตัดไม่ต้องกลัวตายกูก็ไม่กลัวแล้ว แค่อยู่กับอะไรอยู่กับว่างว่าหมอเอาควยกระด้งมาถึงก็จรองอ่าทีนี้ก็กจฉายยาสลบแล้วก็วางไว้ก่อนก็ไปอยู่หน้าหน้าห้องผ่าตัดนั่นวางว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างจิตจะอยู่กับความว่างอยู่กับจินตนาเลิกความยึดมั่นเถอะมันหัวจิตเป็นกูว่ร่างกายเป็นของกูตายก็จังหัวมันอย่างเงินก็ตายวันอยังค่ำวางว่างว่างว่างวางวางเอาไว้นี่ ต้องปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าเป็นลูกของพระตถาคตต้องปฏิบัติอย่างนั้นอยู่กับความว่างว่างจากเวทนานี่ทางตาก็ว่างทางหูก็ว่างทางจมูกก็ว่างทางกายก็ว่างเอาทางใจแมมันคิดนั่งสมาธิห้านาทีมันคิดไม่รู้กี่เรื่องเห็นไหมเนี่ยมันไม่ว่างท้องมันท้องมัว่างว่างว่างว่างว่างเอ้ามันไม่อยู่ มันไม่อยู่กับเอาเอาใหม่เอาวิธีใหม่ไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรนี่ภาวนาหายใจเข้าหายใจออกไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรมันมีอะไรจริงทุกอย่างนะมันไม่จริงดังนั้นไปออะไรก็มันมีนั่นแหละเรามีนั่นแหละแต่ไม่ต้องเอามาคิดไม่ต้องเอามานึกไม่ต้อง เอามาทูน้อยบนหัวนั่นเท่ากับว่าเราเอาแล้วทีนี้มันเป็นเป็นเออกูเป็นนายยกอ่ะพราก็ถอดนายยกแล้วบาแล้วกูทีนี้นี่เห็นไหมเพราะมันยึดมัน่นถือมัน่นทางนั้นเลยไม่จริงทางนั้นแหละเรื่องเอาก็ไม่ใช่จริงเป็นก็ไม่ใช่ของจริงพระจิตเนี่ยมันไม่ก่็ไม่ใช่ของจริงร่างกายก็ไม่ใช่ของจริงโลกนี้ไม่ใช่ของจริงทุกคนไม่ว่าศัสตร์หรือคนมันแสดงละกอนกันอยู่ทางนั้นแต่เดี๋ยวนี้ มันไม่ใช่ของจริงทางนั้นจากนั้นเราอยากเข้าไปยึดมันถือมันอะไรจะบอกสูตรให้ว่าอายะธนภายในยหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตธนาภายนอกหกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมนี่ไปท่องให้จำนะไปท่องให้จำอายะธนะภายในยหกอายตนะภายนอกหกปัจจ า, ากร า, ากรกระทบ การกระทบทางตาการกระทบทางหูการกระทบทางจมูกการกระทบทางลิ้นการกระทบทางกายการกระทบทางใจโอ้กีี่อ่าทีนี้ออกกระทบแล้วทําให้เกิดอะไรตาไปตารูปจักกูวิญ ญ, ญาณปัจจาอ๋อก่อไปกอไปตารูปจักกูวิญ ญ, ญาณคือความรู้สึกส่วนไอ้ลูกที่สาม ความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมูกความรู้สึกทางลิ้นความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจถ้าพูดภาษาบาลีก็เรียกว่าจักปูว mm. yeah. ิญญาณโธตาวิญญาณกาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณ่ต้องไปจํามันก็ได้ไปจาความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมูกความรู้สึกทางลิ้น ความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจนั่นแหละคือวิญญาณเขาเรียกว่าวิญญาณหกวิญญาณหกไม่ใช่วิญญาณผีถ้าวิญญาณผีก็วิญญาณผีตัวนี้แหละตัวที่นั่งเหนือที่พูดที่วังเงินอยู่ที่ตรงนี้แหละนี่มันไม่ใช่วิญญาณผีวิญญาณคือตัวความรู้สึกที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดดับให้มันว่างกากตัวตนนี่วิญญาณหกนี่นเดี๋ยว จักรูวิญญาณโธตาวิญญาณกาณวิญญาณจีหังวิญญาณกาญจวิญญาณมาโนวิญญาณเจนี้พอสมอย่างเนี่ยพอสามลูกเนี่ยตารูปจักรูวิญญาณทํางานร่วมกันทําให้เกิดปัจจาลูกที่สปัจจาแปลว่าการกระทบการกระทบทางตาก็หกอีกเลยปัจจาปัจสานการกระทบทางตาการกระทบทางหู การกระทบทางจมูกการกระทบทางลิ้นการกระทบทางกายการกระทบทางใจไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารามา์ม า, มาเป็นคลื่นทั้งนั้นเลยทีนี้ไอ้เครื่องส่งไหนะพวกนั้นมันมีเครื่องส่งเพราะในอากาศเนี่ยมันจะมีควยฟ้าทีนี้ไอ้เครื่องรับเนะี่ยอยู่ที่เราเนี่ยอยู่ที่เราเครื่องรับอ่า น, นั่นคือปัจจะปัจจะทางกาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจปัจจะเกิดดับว้างจากกลัวตน ถ้ามันถ้ามันจริงเนี่ยทำไมมันเกิดดับเกิดดับไม่หยุด น, ยนี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นเนี่ยตามไม่ทันเลยเห็นหมเนี่ยปัจจาแล้วเสร็จแล้วตาหูจมูกเอ่ อ, อ, อ, อ, อรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสธรมารมวิญญาณเกิดทั้งหมดนะะทั้งหมดอะอายัตถนาภายนอยออกตาหูจมูกลล่นกายใจ อายตนาภายนอกหกรูปเสียงกลิ่นรสธัมผัตธรรมารมณวิญญาณหกวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปัจจาการกระทบหกกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เ, เ่แลก็เวทนาปัจจาเดียวมันมากแรงก็เลยเปลือ กายตนาภายในหกกายตนาภายนอกหกวิญญาณหกปัจสาหกเวทนาหกเวทนาหกเตันหนาหนึ่งอามหาหกครบไลครบแล้วเนี่ยือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดรวมแล้วส0มสิบอย่างละหกอย่างละหกอย่างละหหหหหห สามสิบสามไปมันสามสไปอายตนะภายในหกอายตนะภายนอก6วิญญาณ6ปัจจา6หกเวทนาหกแล้วก็ตัณหาตัณหาทางตาตัณหาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายทางใจ6เนี่ยหกอันนี้มัน6 6 36ตามที่หจริงมัน6 5 30าสาตัณหาไม่เกี่ยว6 5 30 สินั่นแหละแล้วก็ตระหนาอยู่ไม่ได้ตระหนามันจะอยู่ไม่ได้ตระหนามันตกลงไปเลยเนี่ยหกห้าสามสิบอายตระนัภายใน อ, ยอายะตระนัภายนอกวิญญาณปัจจาวิทยาเนีอยกนี่เห็น ไ, ไหมทีนี้ถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ตระหนาดับพอตระหนาดับอุปาทานความยึดมั่นถือมันดับอุออปาทานดับป๊อ ที่มันออกไปหมุนที่จิตนะปอบนั้นก็ดับพอบนั้นก็ดับเพราะคือเอาไปหมนุนหมนุนหมนุนเรื่องเดียวน่ะมันเดียวก็คิดเอาไปหมนุนหมนุนหมุนพอหมุนออกไปแล้วถ้ากล่ว่าตอนที่หมุนอ่ะถ้ากล่ว่ามันตั้งคันก็ตั้งคันเนี่ยเกิดมาเกิดมาก็เป็นชาติชาติชาติีชาติเป็นทุกข์เกิดมาเป็นชาติเกิดเป็นชาติชาติแปลว่าครอดบอกรอดออกมาเป็นจารามรณะโตกับปาริใจว่าคือเป็นทุกข ออเกิดออกมาทีหนึ่งทุกทีหนึ่งเกิดออกมาทีหนึ่งทุกทีหนึ่งไอ้ที่เราคิดทีหนึ่งนั่นแหละทุกทีหนึ่งคิดทีหนึ่งถ้าคิดเป็นตัวกูของกูหนึ่งเกิดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่คือปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจาระโบาทครึ่งทอดเนี่ยครึ่งทอดแล้วการปฏิบัตินี้มันจะรวดเร็วมากแต่เราอย่าจั๊กจ้าต้องเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆ เนี่ยก็แสดงแบบนี้ก็แสดงทำทังนั้นเลยอย่างนี้โู้ไทยท่องไปเท้าเปล่าก็ไม่ใจรงเท้า อย่างอิจาราโดยมีถุงย่ามอยู่บนบ่าและช้อนธรรมะไประหว่างทางแค่ไม่มีเครื่องมือเลยเครื่องเสียงก็ไม่มีไม้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอบพุ่งนี่แหละเอาวัวของท่านเองนั่นแหละนี่เห็นไหมว่างว่างกลมๆนี่นแหละคือว่างว่างนั่นว่างอันนีจังทุกข์งอนัตตาสุญญาต า, า, ตาว่าง คันหัวก็ไม่มีผมผมก็กลมกลิ้งไองนนเนี่ยว่างก็แสดงถึงความว่างอย่างนี้นี่ดูไม่ก้อยชัดสิ็สองคนเจ็สองคนหลับ อาจารย์ที่นั่งตรงกลางคนหลับแต่นี่กลางล่างไอ้ที่เห็นเสือเสือเสือเองคนหลับเนี่ยมันไม่ชัดมันมีอะไรผิดปกติคือนี้เสือเองคนหลับเสือก็คือจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละจิตที่ฝึกแล้วจากเสือกลายเป็นแมวจากเสือก็กลายเป็นแมว หมดฤทธิ์แล้วตอนนี้นอนหนุนเสือกันเลยนั่งบนเสือเหนยทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ฝึกฝึกให้เสือเป็นแมวกันหมดทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์นี่กิเลสไม่สามารถที่จะมีฤทธิ์มีเดชขึ้นมาได้แล้วความร่วมความปวดความหลงหายไปหมดแล้วเสือนั้นก็เลยกลายเป็นแมวในที่สุดนี่แล้วก็อาจารย์ก็เลยแสดงทุ้มยตา กนหัวกนลา้านั่นเนี่ยสุญญาตาองค์ของอาจารย์เองก็ดูที่เหมือนคนท้องเก้าเดือนแล้วนั่นเน่ยนั่นก็คือแสดงสุญญาตากันอย่างนี้ทำนั้น ชาวบ้านบนรูุธรรมไม่ใหญ่บรรู้แต่พระเราคิดว่พระเท่านั้นแหละรรลุเราก็บรรลุได้ถ้าเราปฏิบัติแต่ถ้าขี้เกียจถึงเป็นพระก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เก็บลูกเดียวเก็บลูกเดียวสาสมลูกเดียวจะบรรลุธรรมได้ยังไงข้าไปเก็บบวชข้าไปเก็บเข้าไปสาสมสาสมเงินสาสมทองสาสม ต้องการได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความจขบรรลุไม่ได้พระไม่ใช่ว่าบวชเดียวจีวรไปโฮมแล้วเป็นพระมันต้องบวชใจด้วยทีนี้ชาวบ้านานุ่งขาวอมขาวหรือ ว, ว่านุ่งสีแต่เสร็จแล้วก็ข้างน้อยบวชปฏิบัติธรรมข้างนอยปฏิบัติธรรมแต่ข้างนอกเป็นชาวบ้านตกลงเดียวนี้มันกลับกัน ชาวบ้านกลับไปเป็นพระพระกลับไปเป็นชาวบ้านโอ้แปลกดีเมือนกันฉะนั้นพระก็ต้องอยู่ให้เป็นพระชาวบ้านก็อยู่ให้เป็นพระมันก็ไม่เดือดร้อนใะนถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องว่าเราไม่ได้บวชการปฏิบัติธรรมมันจะไม่ถึงไหนก็ทางานไปปฏิบัติไปอะไรไปแล้วอะไรก็กดีขึ้นถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกอย่างหลวงพ่อรับรองเลยว่าดีขึ้น ทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนเลยแต่ถ้าไม่จริงเราก็อย่าไปโทษ ธ, ธรรมะไม่ได้ถ้าไม่จริงฉะนั้นเราจะต้องจริงอย่างเดียวแต่จริงไม่ใช่จริงสี่หวันมันไม่ใช่เรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆคือไม่หยุดไม่หยุดเหมือนกระตายกระเตานั่นแหละใครเคยเรียนกันมาแล้วกระตายเจ้าวิ่งเยเจ้าวิ่งเร็ว เต่านี่ต้วมเตียมต้วมเตียมต้วมเตียมวิ่งแข่งกันใกลถึงธงใจก่อนกระต่ายก็เลยประมาทเดินแบบนั้นนอ น, นอนกลางทางทักตืนหนึ่งค่อยว่ากันนอนเปลอไปเต่าไปถึงแล้วเห็นไหมเราอยากเป็นกระต่ายประมาทอย่างนั้นไม่ได้ประมาท เราต้งเตรี้ยมต้มเตียมต้มเตรี้ยมไปปฏิบัติธรรมนี้จะลืมไม่ได้ถ้าเผลอไปรั่วเผลอปฏิบัติทันทีภาวนาทันทีข้าวโองน้ำโม่งท่วมาปฏิบัติได้หมดเลยไม่ใช่ปฏิบัติอยู่เฉพาะในวัดปฏิบัติได้ทั้งนั้นเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนแม้แต่เกี่ยวอาหารนี่เราก็ปฏิบัติได้ทายัางไงเกี่ยวอาหาร เราพิจารณาอาหารว่าเป็นของว่างพิจารณาคนทิดทานาหารกินอาหารว่าเป็นของว่างแสดงแต่ละคำของอาหารพอเข้าไปในปากเราก็ต้องเคี้ยวทุกคำที่เราเคี <t> ้ยวเขาก็ภาวนาไปว่าว่างว่างว่างว่างว่างอร่อยเราก็ว่างไม่อร่อยเราก็ว่างเยานั้นก็ว่างว่างว่างว่างว่างเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเห็นไหม พระอมจีวรนนี่เขาก็ภาวนาแล้วว่าจักแต่ว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างแต่ก็ว่าเจ้ากว่านั้นนี่แต่ว่าจะอยู่ที่ว่างคือว่างจากกลัวตนว่างจากกลัวตนจีวอนก็ว่างจากกลัวตนคนที่หอมจีวอนก็ว่างจากกลัวตนว่างจากกลัวตนยังไงอ่ะว่างเพมันมาจากไหนจีวอนี่มันมาจากไหนเส้นได้จากเส้นได้มันเป็นอะไร เป็นใยชมคร้ายากใยชมคร้เป็นอะไรเป็นเปลือกไม้เป็นสาเป็นเคมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นฝ้ายเป็นได้ทางนั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็มาเป็นใยก็เป็นใยเราออกมาสาออกมาตักออกมาทอเป็นผ้าเราออกมาตัดเป็นเสื้อเป็นระบงจีวออะไรอย่างนี้แต่ต่อไปใช้ไปมันก็เปื่อยมันก็ยุ่ยนี่แล้วก็กลับไปไหนไปทูดินตามเดิมเห็นไหม นี่ว่างเป็นของว่างดังนั้นอาหารก็เป็นของว่างเสื้อผ้าก็เป็นของว่างที่อยู่ที่อาศัยไม้มันมาจากไหนมันมาจากในดินงั้นมันก็ไปเป็นดินมันว่างยารักษาโรคมาจากไหนมันมาจากดินเพราะวติต้นไม้มันเกิดในดินก็เอาแกนไม้เอาเปลือกไม้เอาผลไม้อะไรที่เป็นยานะมันก็ไปเป็นดินตามเดิม นี่มันหมุนเวียนกันอยู่อย่างนั้นนี่ว่างว่างจากตัวตนดังนั้นทุกอย่างว่างจากกัตนนี่ถ้าจิตเห็นอย่างนั้นเขาเป็นอนิจจังเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาชาบ้านบรรลุธรรมทําไวเราจิตทำจิตให้ฉลาดขึ้นมาก็ได้เหมือนกับพระนั่นแหละชาวบ้านบรรลุธรรมเมื่อเขาขอให้นักบวชสอนสุดยอดคําสอนของเช่น นี่หลงพอ่อเด็ดเด็ถ้าประโยคเดียวพอไม่ต้องมากไม่ต้องมากเฟือตอน น, นี้ไม่รู้กี่อาจารย์แล้วปล่อยมันทุกวัดแล้วไม่ได้เลยเลยไปไปมามาไปหาหวยนัำจะได้อะไรพอกล้วยออกออกกล้วยเป็นไงกล้วย2ององต้นแล้วก็ออกปรี เอาไปนั่งไหว้กันอีกแล้วมันโง่อะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้นี่ไปนั่งไหว้ขอหวยอีกแล้วไม่รู้จะขอใครไปขอต้นกล้วยอเอามะพร้าวสามยอดแล้วก็ดีที่สามยอดจะได้มีลูกมากมากนี่ไปนั่งไหว้กันทำไมนี่เรียกว่าศีละปัจจระรามาต่างนั้นเลยพวกนั้นทีนี้ นายคนนี้ขอต้องการเด็ดเด็เหมือนเราต้องการเลขเด็ดอย่างนั้นเน่ยเด็ดเด็ดให้มีพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลเน่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสธรรมมานิมากเหลือเกินพระเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่ทราบพระเจ้ายกไอ้ตรงไหนมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสตรองถามคำว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวศร a j มีภาษาต่างประเทศทีนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็สิ่งทั้งปวงก็คือทั้งหมด่เลยสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนมีเท่านี้แหละอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนแล้วก็เป็นของตนเนี่ยมีเท่านี้แล้วทําไมไปยึดมั่นถือมัน่นโอ้ไม่มีที่เก็บแล้วอ๋อ สร้างบ้านไม่ห้องใต้ดินเก็บไว้ใต้ดินเอาเอากันไปว่ากันไปอย่างนี้เขาเรียกว่าบ้าสมบัตรยึดมั่นถือมันเนี่ยยึดมั่นถือมันนี่แหละทิงทั้งอวงอันไกลใคไม่ควรข้าไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนเพราะอะไรก็มันเป็นอนิจจามันไหลเรื่อยมันไม่หยุดถ้ามันไม่ไหลเราไม่ตายเหรอกินก็ไปแล้วมันไม่ย่อย ไม่ย้อยแล้วมันก็ไม่ตายอากาศข้าไปแล้วมันไม่ออกมันก็ตายเลแต่นี้ม ja, ja ja ja, ันไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเลื่อยเดนไหลเลื่อยน้ําไหลเรื่อยลมไหลเรื่อยไฟไหลเลื่อยมันก็ไหลเรื่อยไหลเลื่อยนี่แหละอนิจจังอนัตตาทางนั้นทิ้งทั้งปวงเป็นอนิจจังอย่าก้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกขังถ้ายึดมันถือมันเนี่ยมันจะเป็นทุกขังเพราะทิ้งทั้งปวงนั้นมันเป็นอนัตตา ไม่ใช่มันเป็นอัตตาแลสิ่งทั้งพวงนั้นมันว่างจากตัวตนระเปธรรมานาลังอเปนิเวสายะสิ่งทั้งพวงอันใครๆไม่ควรข้าไปยึดมัน่นเธอมันว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนในนี้หลวงพ่อองค์นี้ท่านก็บอกเมื่อคนนั้นเขาขอเมื่อเขาขอให้นักบวชสอนจุดยอดคำสอนของเซนคำตอบที่ได้รับ ก็คือเมฆอยู่บนฟ้านอนทานชี้ไปเมฆอยู่บนฟ้าน้ําอยู่ในขวดซึ่งคําตอบนี้ทําให้ขอบรรู้ทำโดยปรันเลยนี่เห็นไหมเสนเนี่ยเส้นนี้ก็เรี่าจับปรัจับปรันมันจะมีอยสองสำนักสำนักหนึ่งที่ว่าสำนักเชื่องช้าสำนักหนึ่งที่ว่าสำนักจับปรันนี่นี่น้นำในขวด ม, am, ม, มันก็คือน้ำเมฆ ม, มันก็คือน้ำฝนมันก็คือน้ำน้ำก็คือน้ำมันก็คือน้ำนั่นแหละมันนั้นมันเป็นอย่างนั้นจากนั้นนี่เรียกว่าเห็นโดยตลอดสายเห็นตลอดสายไม่ใช่เห็นอยู่แค่ที่ตรงนี้ที่เดียวมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำในกวดก็ดีน้ำในทะเลในมหาสมุทรน้ำในหนองใน km, กรงในบึงนแม้แต่น้ำที่เราทายลุงปัสสาวะมันไปไหนอะ มันก็ระเหยจากนั้นแหละมันเหยขึ้นไปเป็นไอไอแล้วก็เป็นเมฆเป็นเมฆแล้วเป็นฝนเป็นฝนนี่ก็เป็นน้ํำมันเป็นอย่างนั้นแหละไปเอาอะไรจริงจังกับมันเออเอาอะไรจริงจังกับร่างกายนี้กับดินน้ําลงไฟนี้ร่างกายนี้ก็ดินน้ำลงฝอยธรรมชาติก็ดินน้ำลงฝอยแต่จะไปเอาอะไรจะไปเอาอะไรนี่นายกนนี้ตาแจ้งก็นอกแวบเดียวแค่นั้นเองไม่ต้องมากไม่ต้องมาก รู้ทีเดียวเว็บเดีย ว, วก็รู้ยาวเลยทีนี้ยาวไปเลยเห็นหนี่แหละคือเซนเขาเรียกว่าจับพลันจับพลันอย่างนี้อ่า คือพระโพธิธรรมแล้วที่หลวงพ่อเล่าไอ้ควางตอนแรกนั่นแหละที่ประจันกนายนกองค์ที่สองนะ่ยตัดแขนเนี่ยก็ออกไปประเกณงพระโพธิธรรมเลยพระโพธิธรรมถามว่าไหนกุนจริงแค่ไอยมันมีอะไรเป็นพยานหลักฐานที่เป็นประกันมั่งตัดชับก็แขนตัวเองเอาไปประเกงแล้วก็บอกท่านช่วยทําจิตของกระผมให้สงบที ท่านบอกเธอเอาจิตออกมาที่ไปเอาที่ไหนมาได้มันไม่มีมันว่างจับตัวตนจิตเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างจิตมันเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างอยู่อย่างนั้นแหละเกิดดับว่างอย่างไรไปยึดถืออะไรเป็นเป็นตัวตนของตนได้ยังไงนี่เลยประสังกายกองค์ที่สองอ ง, ง น, นี้ก็เลยปุ๊บเดียวเห็นธรรมชั้นถโถงขึ้นมาทันทีเลยนี่ เราภาวนาไปภาวนาไปภาวนาพอมันได้พอมันได้โอกาสพอมันเหมาะสมทังนั้นเองเพลบเดียวนี่ถ้าเหมาะสมทีนี้อย่าไปอยากมันภาวนาไปภาวนาไปปฏิบัติไปพิจารณาไปเห็นไปอะไรไปพอมันได้โอกาสเพลบเดียวเนี่ยเห็นไหมเสี้ยววินาทีเดียวสบายเลยทั้งชีวิตอย่างนั้นเอาไหมอย่างนั้นสบายคือไม่ทุกข์ใจะอะไรดอกไม่ทุกข์ อยู่ที่ตรงนั้นนะ่ะมีตาก็เหมือนไม่มีตามีหนังสือก็เหมือนไม่มีหนังสือเพราะมานานไม่ออกนี่ อ่าคนนี้ <c oughs> ปลาดุกกับน้ำเตา้าทั้งสองสิ่งมีผิวเรียบและลื่นจับได้ยากเปรียบเหมือนการบรรลุธรรมที่จับต้องได้ยากถามว่าธรรมะที่บรรลุนั้นเป็นอะไรก็มันเป็นอะไรอ่ะมอนโลกน้ำเต้าก็ลื่นปลาดุกมันก็ลื่นแล้วมันก็มีเงี้ยง ได้จะจับปลาดูกระไปในน้ําต้ามันไตไม่ได้ก็เปรียบเหมือนกับจิตนั่นแหละมันลื่นมันไม่มีตัวตนจิตเองมันไม่มีตัวตนใครจะไปจับมันได้เรานั่งอยู่ตรงนี้บางคนถ้าหลวงพ่อบอกเอ้ายมนั่งธรรมาที่ห้านาทีโนดไปบ้านไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยมันลื่นมันลื่นมันไหลไปอย่างนั้นในจิตมันไหลไปมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่อยู่นิ่ง อันนี้ถ้าน้าก็ไปหลวงพ่อจะจะยกให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอย่างหลวงพ่อเองเนี่ยเราก like ็น like ั่งอยู่นิ่งนอยู่นิ่งนอยู่นิ่งนแต่ว่าอยู่อันนี้ไอ้มือเราก็ลูบขาไปพรางอยู่นิ่งนิอยู่นิ่งนอยู่นิ่งนิแต่ว่าอยู่ข้างไหนความรู้สึกมันอยู่ข้างไหนแต่อันนี้ไอ้ข้างนอกนี่มันเป็นประกอบ แรีกว่าประกอบแต่กลางในเราก็อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเรานั่งดูโทรทัศน์เราดูโทรทัศน์เราก็ก้างในก็อยู่นิ่งๆแต่ตาเราก็ดูองจ่องนี้มันไม่ใส่เสื้อเขาโอ้ยมันยากจนออกไปช่องอื่นต่อไอ้จ่องนั้นอยู่ไม่ได้ก็ไปช่องอื่นเพรสารคดีดีกว่าดูสัตว์มันแก้ผ้าดีกว่าดูคนมันแก้ผ้าสัตว์มัน มันไม่ประจีประสัตแต่คนนี่ใจสูงแต่ว่ามันต่ำยิ่งกว่าสัตว์ เ, เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านผ่านผ่านผ่านอะไรที่มันมันไม่ดูเราก็ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่า น, านเห็นไหมดูสรดาระก็ดีแล้วก็ดูความมันจะมีความรู้ขึ้นมาดูความอา่ประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นใต้ทะเลเป็นอย่างนั้นไหนหนอจะหมดเป็นอย่างนั้น ขึ้นไปในอากาศไปดาวอังคารเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเอดูแล้ว น, นิ่จังอนัตตาจังนั้นเลยไม่เห็นมีอะไรเลืปิดโทรทัศน์เนี่มันเห็นแล้วมันเรียก ว, ว่ามันก็ไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรเราก็รู้เอาไว้บ้างไม่อย่างนั้นเวลาเพื่อนเขาพูดเรื่องการมงการเมืองอะไรไม่รู้เรื่องเลยเราก็รู้เอาไว้บ้างรู้ว่าอ๋อตอนนี้ก็ถอดแล้วฮะก็ถอดแล้วถอดไกลอ่ะ ก้อนนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อไปฉันเมื่อวานนนายกปูก็ถอดนายกปูทีนี้หลวงพ่อก็ยังฉันอยู่เรื่อยเลยก็ฉันอดีตนายกปูตอนนี้นายกปูก็หายไปแล้วก็ก็ฉันอดีตนายกเดียวนี่ก็มัน่องมันขำดีเหมือนกันนี่นี่มันยึดถืออะไรไม่ได้ลาบก็ยึดถือไม่ได้ยศก็ยึดถือไม่ได้ฉันเสิญ์ูกก็ยึดถือไม่ได้ยึดถืออะไรไม่ได้ยึดถือหนักทางนั้น ไม่ใช่เป็นนายกกันจนตายเป็นรัฐมนตรีกันจนตายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกันจนตายไม่ทุกเราปฏิบัติธรรมเราทำความดีนี่พอเราออกจากราชการแล้วยังมีลูกนอ้องคนที่เราดีกันอะไรกันมันยังตามหลังถ้าเรามีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีน้ำใจเลยมไม่มีทางเลยนี่มีธรรมะอะไรธรรมะอย่างนั้นอ๋อก็มีน้ำใจ นี่นับใจคือก็มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือลูกนอก้องช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือเพื่อนผงในทางที่ถูกต้องนี่ก็มีเมตตาเพรคนประเภทนี้ถึงเขาจะเป็นหรือเขาไม่เป็นเขาก็เป็นอย่างนั้น่ยจิตเขาเป็นอย่างนั้นนี่แอนไหมเพราะฉะนั้นต้องมีความเอื้อวเผื่อแป่ต่ อ, อกันและกันว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ก็มีแค่สองตัวเอง พระพุทจะาแดูคือพระปัญญาคุณพระปัญญาพระปัญญาที่รู้อริยศัจรีนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วก็มีพระเมตตาปัญญาที่บริสุทธิ์เมตตาที่บริสุทธิ์เมตตาที่ไม่มีอะไรไม่ใช่โอ้คนต้องเลือกฉันด้วยนะเอาไปห้าร้อยเอาไปหนึ่งพันแต่คนที่ยากจนร้อยหนะึ่งก็เอาก็เอาทางนั้นแหละจ้างเขาอย่างนี้จ้างเขาแต่ว่าไม่ใช่ นี่ก็มีเมตตาพระพุทธเจ้าไปสอนใครอ่ะไปสอนวันนี้จะไปสอนใครอ้าพรุ่งนี้ดูพระองค์จะดูด้วยพระญาณจะไปสอนใครที่ไหนหมายความว่าคนที่พระพุทธเจ้าไปสอนอ่ะอย่างน้อยที่สุดพระสดาบันแล้ววันนั้นได้พระสูดาบันแล้วดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีเลยนี่พระเมตตาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจของปัญญา นี้ถ้าเราแต่เมตมีแต่เมตตาเมตตาเมตตาขาดปัญญาหมดถ้าอย่างนั้นหมดหเราจะช่วยใครอะไรนี่เราต้องมีปัญญาด้วยปัญญานำเมตตาตามหลังเมตตาต้องตามหลังเมตตาไปก่อนไม่ได้ไปก่อนปัญญาไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าตรรู้พระปัญญาคนุนพระเมตตาคนแล้วบริสุทธิ์เอาไปไว้ไหน ปัญญาที่บริสุทธิ์เมตตาที่บริสุทธิ์เนี่ยทียนี้ก็เลยว่าเป็นสามว่าเป็ น, พพญญนพสน พ, รรพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระเมตตาคุณตามที่จริงอ่ะพระปัญญาคุณกับพระเมตตาคุณตั้งสองอย่างนั้นคือร้วนแต่บริสุทธิ์นี่เท่ากับสองแค่นั้นเองทีนี้นี่คือจิตที่ไม่มีตัวตนภาพนี้จิตที่ว่างจากตัวตน มันไม่มีตัวตนจริงๆแนตะ่ไปดูกันโยไปดูที่จิตตัวเองกันี่ยทุกคนมีจิตกันทางนั้นแต่ยึดมัน่นถือมันก็ทุกข์แต่ไม่ยึดมัน่นถือมันบอกมันว่ากูแก่แล้วอ่อแล้วอ่อแล้วเนี่ยอ่อแล้วมันทุกข์แล้วโยอยากมีความทุกข์ยี่อยยังไงอไปทํากันเอาเอง สมควรที่จะเลิกได้แล้วนายหนังก็หมดเสียงแล้วก็ ว, ว่าตัเจ้าวมือดี